เรินพรย่ายอมทุกๆ ท, ท่านครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สาม <c oughs> ก็เป็นคืนที่สองอเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ได้พูดเรื่องอรียมักมใองค์แปดส่วนมากก็จะย้ำเรื่องสัมมาทิฏฐิ ฉะนั้นแต่ละท่านที่ยังไม่จำก็ให้ไปท่องให้จำสูตรอริยมรรคเมองแปดแล้วก็สูตรปฏิจจาระมบทบาทนี่เป็นเรื่องที่จะต้องจำจำเอาไว้ก่อนถ้าเราไม่จำเราก็ไม่มีพื้นฐา น, นหลวงพ่อก็พูดไม่ค่อยเหมือนกับพระอื่นที่เขาพูด พระอื่นก็จะพูดง่ายๆหลวงพ่อไม่เอาแล้วเรื่องง่ายๆพูดง่ายๆเหมือนยาแจกไม่ค่อยจักสิทธิ์ยาที่แจกนั่นต้องยาขายมันจึงจะสำคัญกว่าแั่นั้นสิ่งที่แจกที่แจกก็ไม่ดีถ้ากับของขาย แต่นี้หลวงพ่อก็ไม่ได้ขายก็เท่ากับว่าชีวิตบรรลายเป็นการแจกเหมือนกันคือแจกของสองตะเกียงทีนี้ไปทำแสงที่สว่างนิดๆแล้มันไม่ได้ต้องให้สว่างเต็มที่โยมฟังแล้วไม่เข้าใจต้องไปซ้ำ ไปฟังซ้ําให้หลายๆครั้งจึงจะเข้าใจได้ทีนี้เรื่องปฏิจจสมุปบาทเรื่องของอริยสัจสี่เรื่องของขันห้าเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสตลอดชีวิตของพระองค์คือเรื่องเกิดเรื่องดับเท่านั้นไม่มีเรื่องอื่นอย่างที่พระอัศจริ เมื่ออาศัาีบุตรตอนที่ยังไม่ได้บวชท่านก็ตามหาอาจารย์แต่ก็โชคดีของท่านที่ไปแค่สองอาจารย์แค่นั้นเองก็เข้าไปหาพระพุทธเจ้ากี่หลังแล้วก็ไปบวชกับพระพุทธเจ้า ท, า ท, าทีนี้ในการนั้นในพันษานั้น ภิกษุปัญจวคีทั้งทรูปก็เป็นพระอาหารหันต์หมดเมื่อสารีบุตรไปเจอกับพระอัจสชิก็มีความชงหนใจพระองค์นี้ดูเรียบร้อยดีก็ เ, เลยเข้าไปถามท่านว่าใครเป็นครูบาอาจารย์ของท่านครูบาอาจารย์ของท่าน สอนเรื่องอะไรพระอัจฉริย์ก็เป็นพระอรหันต์ที่ใหม่ใหม่มากคือพระอรหันต์ใหมน่นะท่านไม่ค่อยจำนาญไม่ชํานาญเหมือนพระอรหันต์ที่นานนา น, น, านเก่าเก่ามีลูกเล่นมากท่านก็เลยบอกว่าโยมอัตมาพอดีกําลังบินทบาตอยู่ จะขอคุยกับโยมตอนที่บินฑบาทจบเรียบร้อยแล้วทีนี้เมื่อบินฑบาทจบแล้วคงจะฉันเรียบร้อยสาธิบุตรก็เข้าไปหาท่านอีกครั้งหนึ่งก็เลยบอกขอปฏิเสธว่าอาตมาเพิ่งบวชมาไม่นานครูบาอาจารย์ของอาตมาก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ก็พูดเรื่องอะไรบ้างท่านก็สรุปได้ดีมากว่าเยธรรมมาเอตุปปวาวเตสังเหตุงตถาคโตเตสัญจโยนิโรโทจะเอวังวาติมาหาสมโนนี่เป็นภาษาบาลีอนนี้แปลว่าทำเหล่าใดทำเหล่าใดก็คือทั้งหมดนั่นแหละเราต้องเข้าใจว่าทั้งหมด ทำเหล่าดอยมีเหตุเป็นแดนเกิดพระตถาคตตรัสเหตุแห่งธรรมนั้นและความดับแห่งธรรมนั้นก็หมายถึงว่าพระองค์ตรัสแต่เรื่องความเกิดกับความดับเท่านั้นไม่มีเรื่องอื่นตลอดชีวิตของพระพุทธเจ้าชีวิตที่เหลือของพระองค์ สีสิบห้าปีพระองค์ตรัสแต่เรื่องความเกิดกับความดับไม่มีเรื่องอื่นทีนี้ความเกิดให้เราเข้าใจว่าเกิดก็คือเกิดทุกความดับก็คือดับทุกหของพ่อก็พูดมามากแล้วสองครั้งที่ผ่านมานั้นเรื่องเกิดทุกกับดับทุกนั่นแต่ขอทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่า การเกิดทุกข์ก็คือเกิดยึดมั่นถือมั่นเกิดความยึดมั่นถือมั่นว่าจิตเป็นกูนั่นแหละไม่มีทางที่จะหลีกเลี่ยงได้เพราะอะไรๆมันก็ปลงอยู่ที่จิตทางนั้นสวรรค์ก็อยู่ที่จิตนรกก็อยู่ที่จิตนิพพานก็อยู่ที่จิตอยู่ที่จิตทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องของจิตการเกิด ก็อยู่ที่เจ็ดตัวเดียวทีนี้เราปฏิบัติจะทํำยังไงจะให้หลวงพ่อไปนั่งเป่าเป่าเป่าอยู่มันไม่ได้หลวงพ่อไม่ใช่พระเป่าหลวงพ่อนี่เป็นพระคูดเป็นพระคูดท่านมีแผลมามาถึงก็หาหลวงพ่อว่าช่วยรักษาหน่อยหลวงพ่อก็คูด ขูดแผลใส่ยาชะแผลจะสบายที่ไหนขูดแผลจนเลือด ก, กระซิบเลยเอาไอ้ที่เน่าๆ น, นั้นออกไปแล้วก็ยาเอาไปชะล้างแผลมันก็เจ็บปวดเจ็บปวดฉะนั้นใครที่มาชอบธรรมะที่หลวงพ่อพูดมั่ง น, ะน้อยคนมาก แต่คนที่ตั้งใจจริงๆอย่างสามเณรีนี่โ น, น้นมาจากเคียงใหม่ น, นู้นแต่คนที่หน้าวัดไม่รู้หลวงพ่อทําอะไรทําไมคนมากันเยอะเหลือเกินนี่เห็นไหมมันคนละเรื่องกันเลยนี่คนละเรื่องกันเลยเขาไม่ประสีประษาไม่อะไรทั้งนั้นแต่คนที่เขามีความทุกข์ก็ต้องการก็ต้องการก็ต้องการที่จะให้หลวงพ่อนี่ พูดแผลให้เขาใส่ ย, ยาให้เขารักษาแผลให้เขาอืเขาต้องการอย่างนั้นเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องที่มันยากยากอ่ะอย่ากลัวสู้สู้กันไปอย่ากลัวอุ้ยทํำไมยากเหลือเกินเอ้มันยากขนาดไหนเอาชีวิตเข้าไปแลกเลยไม่ต้องกลัวต้องเอาชีวิตเข้าไปแลกพระพุทธเจ้าของเราเนาะ ที่เรานับถือนะ่ะท่านาเอาอะไรไปแลกเอาชีวิตไปแลกเอาชีวิตเข้าไปแลกเลยในหกปีนั้นพระองค์แบบอัตตกามสจูขันลีการุยโยกเรื่องของวัตถุเรื่องระหว่างกามทางเพศจบกันจบกันเพราะในพระราชวังในบ้านในเมืองนะ่มันเต็มไปหมด พระองค์ก็ออกมาออกมาถึงก็ต้องทำแบบอัตตากิลามะฐานุโยกอดอาหารอดข้าวอดน้ำภายผมต้องเอาชีวิตเข่าแรกทีนี้เราไม่ต้องทำถึงขนาดนั้นเพราะครูบาอาจารย์ของเราบอกไว้แล้วพระองค์บอกว่าไอทางกามสุขลนิกานุโยกก็ต้องเว้น เราจะเว้นอะไรเว้นวัตถุวัตถุก็ ด, กกดีกรารระหว่างเพศก็ดีเมื่อเราจะออกประนิพพานเนี่ยก็เอามันทําไว้อีกไอ้พวกนั้นมันของหลอกทั้งนั้นแหละของหลอกทางนั้นนั่นตรงผ่านมาแล้วทีนี้ก็มาทําแบบอั ต, ตกิลมถานุโยคเอาชีวิตข้าแรกต้องเอาชีวิตข้าวแรกต้องอดทน ให้มันน้ำตาไหลอดทนจนน้ำตาไหลอดทนจนกระทั่งว่าเอาชีวิตนี้แลกกันเลยถ้าอย่างนั้นเราจะได้ได้พระนิพพานถ้าอย่างนั้นนี่แหละจริงเรียกว่าต้องจริงบวชจริงถ้าเป็นพระก็เรียกว่าบวชจริงบวชจริงก็เรียนจริงเรียนจริงก็ปฏิบัติจริงเมื่อปฏิบัติจริงก็ได้ผลจริง อะไรตัวนี้ตัวจึงตัวนี้อะไรตัวจริงตัวนี้คือสัจจะสัจจะตัวเดียวตั้งสัจจะให้แน่นตายเป็นตายไม่มีคําว่ากลับหลังจะไม่กลับหลังเด็ดขาดหลวงพ่อใช้คาถ า, านี้มาตั้งนานแล้วไปหาท่านอาจารย์พุทธทาสตายเป็นตายถ้าไม่ได้บวชกับท่านไม่กลับเด็ดขาด ไม่กลับเด็ดขาดผู้ที่อยู่ด้วยกันสามคนสองคนนัน้นก็ไม่ได้บวชไม่ได้บวชแต่หลวงพ่อได้บวชคนเดียวได้บวชอยู่คนเดียวคือหลวงพ่อจริงจริงต้องจริงต้องจริงเพราะฉะนั้นถือกาษากาถาสัจจาให้เรามีสัจจาให้จริงอยู่ภายในสัจจา ม่มีสัจจาแล้วต่อไปสบายหมดเพราะจริงตัวนี้แหละเรามีความหนักแน่นเอาไว้ในจิตในใจของเราคิดจริงพูดจริงทำจริงได้ผลจริงก็คือปฏิบัติจริงแต่ว่าขาโตพระกวตาธรรมโมพระธรรมนั้นใดเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ตรัสไว้ดีแล้วฉันทิตโกอันผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นผู้ที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จํากัดการไม่จํากัดการในการศึกษาหรือในการปฏิบัติไม่จํากัดการให้เข้าใจตัวเนี้ยว่าอากาลิโกไม่จํากัดการทีนี้เรา มานั่งแต่ตรงนี้สาสิบนาทีโอ้พอแล้วพอแล้วเขาไม่ได้ให้นั่งอยู่ตลอด24ชั่วโมงคนเราไม่ต้องยืนต้องเดินต้องนั่งต้องนอนฉะนั้นทุกอิริยาบถ ท, ทุกอิริยาบถจะต้องภาวนาได้ทั้งนั้นเลยเรียกว่าไม่จำกัดการเมื่อภาวนาไปภาวนาไปภาวนาไปตัวรู้นั้นมันก็จะเกิด นี่สมาธิกับวิปัสนาณิมาดูอีกครั้งหนึ่งสมาธิกับวิปัสนานี้แยกกันที่ตรงไหนแต่ เ, เรานั่งสมาธิสมาธิสมาธิอยู่ ก, ยก็ไม่รู้จักแยกไม่รู้จักยกขึ้นสู่วิปัสนานแยกไม่เป็นเหมือนกับที่หลวงพ่อบอกว่าขึ้นต้นไม้ไม่เป็นนั่นแหละไปเวียนโคลนอยู่ตรงนั้นแหละจนหญ้าตาย เวียนจนหญ้าตายเลยทีนี้อาจารย์โดยส่วนมากก็สอนให้เวียนโค่นกันอยู่ตรงนั้นจะสอนระบบไหนก็ตามแต่ว่าไม่ค่อยที่จะขึ้นไปสู่วิปัสสนาสอนให้ขึ้นต้นไม้แต่แล้วก็ให้เวียนโคน่นทำไมจึงเวียนโคน่ก็เพราะว่าอาจารย์เองก็เวียนโค่อยู่เหมือนกันมันก็เลยสอนให้ขึ้นต้นไม้ไม่ได้ตัวเองก็ขึ้นไม่เป็นสอนให้คนอื่นก็ขึ้น มันก็ขึ้นไม่ได้เหมือนกันนี่อันนี้สมาธิกับวิปัสสนาเนาสัมมาทิฏฐิความเห็นอันถูกต้องสัมมาฉังกับโปความดํารีอันถูกต้องสัมมาวาจาการพูดจาถูกต้องสัมมากรรมมันโตการทําการงานถูกต้องสัมมาชีวเลี้ยงชีพถูกต้องสัมมาวายามมีความเพยียรถูกต้องสัมมาสติมีสติถูกต้อง สมาสมาธิมีสมาธิถูกต้องเอ็นี้การทําสมาธิไม่ใช่ว่าเราจะไปเอาข้อหนึ่งเกินสัมมาทิฏฐิให้มันแตกหกักเอาพอเรียกว่าพอพอพอเป็นน้ํากระสายพอตอนแรกเพราะว่าปัญญามันยังไม่แตกเอาพอว่าเออสวรรค์มีจริงเรกดีมีจริงทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วเอาแค่นั้นก่อน แล้วก็ปฏิบัติไปอะไรไปทำสมาธิไปจนไปถึงสัมมาสมาธินั่งสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิเราก็คนที่ว่าพุทธโธก็พุทธโธพุทธโธไปกยกไปที่พุทธโธก็พุทธโธก็ไม่ว่าหรอกไม่ว่าอะไรแต่แยกที่ตรงนั้นแยกที่สัมมาสมาธิไม่ใช่ไปติดอยู่ที่สมาธิถ้าติดอยู่ที่สมาธิ เป็นได้แค่ฌานได้แค่ฌานรูปฌานอารูปฌานได้แค่ฌานพอได้ฌานนี่ก็ได้ฤทธิ์พอได้ฤทธิ์ก็เหลิงทีนี้เหลิงเหลิงไปเห็นนั่นเห็นนี่เห็นโน้นข้าวโอ้ยใจแล้วชายแล้วใจแล้ ว, าลวตายกับฤทธินน์นั่นน่งทีนี้ตายกับฤทธิ์นั่นนี่คือไม่รู้จักแยกจิตให้เป็นวิปัสสนาเพราะฉะนั้นพอ เราทําพอข้าวที่ข้าวทางคือพอสงบพอจิตสงบก็ยกจิตที่สงบนั้นแหละ ย, ยกขึ้นสู่วิปัสนายกขึ้นสู่วิปัสนานี้ก็คือยกขึ้นพิจารณายกขึ้นพิจารณาพิจารณาสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ร่างกายนี้แหละที่ร่างกายนี้แหละยกจิตขึ้นสู่วิปัสนาคือยกขึ้นสู่ การพิจารณาให้เห็นแจ้งให้เห็นแจ้งก็มีอะไรมั่งที่เนื้อที่ตัวของเราเราก็นั่งพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธอยู่หลวงพ่อเองตอนที่เป็นเนน่ะก็นั่งพุทโธพุทโธพุทโธเพราะว่าทำเอาเองนั่งพุทโธจนตัวเบาความรู้สึกว่าลอยขึ้นไปชนเปดานมุ้งเลยก็ยังทําอะไรไม่เป็น ทำอะไรไม่เป็นทั้งนั้นบางทีกันอนภาวนานอนนอนภาวนาเหมือนกับว่าจิตนี่ออกจากกายพอจิตออกจากกายแลีวไปวนอยู่รอบๆที่นอนนั่นแหละแล้วก็ยังทำไม่เป็นทาไม่เป็นนี่ฉะนั้นพวกที่ไม่มีอาจารย์เนี่ยอวดดีไปเลยพระสงฆ์องค์เนนที่ไปตั้งสานักนะ่ไปตั้งตั้งสำนักแต่แล้วไม่มีอาจารย์เองตั้งตัวเป็นอาจารย์อย่าไปหวังเลย อย่าไปหวังมันก็ได้แค่นั้นได้แค่นั้นได้แค่ต้นๆมันไม่ได้การปฏิบัติธรรมนี่ต้องมีอาจารย์พอไปถึงฌานถึงอะไรข้าวเนี่ยเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่นี่แต่ไม่มีอาจารย์บ้าเล ย, เลยบ้าเลยถ้าไปถึงตรงนั้นมันมีเยอะแยะที่เคยพูดให้ฟัง่พอท่านคลายที่วัดโกหาสวรร์ตอนที่หลวงพ่ออยู่วัดโกหาสวรร์บ้าเลย ปฏิบัติเองไม่มีอาจารย์ไม่มีอาจารย์ปฏิบัติเองเพราปฏิบัติเองก็นั้นเช้าขึ้นมาก็ลุกขึ้นแต่เกรุ่งเช้ากุกกูฉันโทกุกกูฉันทลุกขึ้นตื่นั่นแหะจะตะโกนอยู่อย่างนั้นตะโกนตะโกนไปปลุกคนนอนไปปลุกคนนี้มาหน้ากุตีหลวงพ่อตรงนั้นเนี่ยแต่ว่าท่านก็เอาพร ะ, ะใหญ่ๆทั้งนั้นแหละเอ า, อากตทิทั้งนั้นตะโกนอยู่ นี่ท่านก็ขึ้นเป็นบางครั้งบางคราวนี่เรียกว่าไม่มีอาจารย์เพราะฉะนั้นพระจงองค์เนนที่ไม่มีอาจารย์ระวังให้ดีบ้าได้บ้าได้ที่ใหญ่องค์หนึ่งหมุนเลยเป็นพระอรหันต์ก็เป็นพระอาราหารันต์หมุนหัวเลยหวัวเสร็จแล้วหวนันหมุนอยู่อย่างนั้นหมุนหมุนทีนี้ก็พาไปหาท่านอาจารย์พุทธทาส ท่านอาจารย์บอกว่ามันสายไปเสียแล้วมันข้าวกระดูกดําแล้วนั่นหมุนโว อ, อยู่อย่างนั้นนี่นั่นพระอรหานหาันนะหันนะอันเหมือนกังหันลมนั่นนี่ยน่ะคือพระอาหารหันทระวงอย่าไปเป็นพระอรหานตข้าวเดี๋ยวจะเป็นกังหันลมไม่ได้บ้าได้ทั้งนั้นเลยฉะนั้นบางคนก็บอกโอ้ยอย่าปฏิบัติธรรมปฏิบัติแล้วบ้า คนมันมีเชื่อบ้าอยู่แล้วมันพอดีทีนี้นมันจะเอาพระอาหารหันต์ขึ้นมาอีนี้พอเป็นพระอาหารหันต์จริงๆเน่เป็นยังไงอ่ะเป็นพระอาหารหันต์จริงๆไม่ต้องเป็นเป็นโดยไม่ต้องเป็นไปเอาไม่ได้เอาไม่ได้พระอาหารหันต์ก็ไม่เอาพระโสดาสกิทาอนาคาคาพระอาหารหันต์ไม่เอาถ้าไม่เอา น, น, นั่นแหละจะเป็นถ้าเอาแล้วก็จะไม่เป็นอันนี้ถ้าพระองค์ไหนอบอกว่าอ้าว อาตมานี่แหละเป็นพระอรหันต์ไม่ใช่แล้วอย่างนั้นไม่ใช่นี่โยมระวังเอาไว้จะโดนหลอกนะพระอรหันต์พระอ ร, ระหันต์ที่บอกว่ากูนี่แหละเป็นพระอรหันต์เนี่ไปเกี่ยวทํานายพระองค์นั้นองค์นี้องค์นี้ใช่องค์นั้นใช่องค์โน้นใช่เป็นพระอรหันต์เพราะตัวเองเป็นพระอรหันต์นั่นแหละนั่นแหละคือเขาเรียกว่ามานะย่างละไม่ได้อย่างละมานะไม่ได้ไไดทีนี้ สิ่งที่จะต้องละพระโสดาบันละสักกายทิฏฐิความเห็นว่าตัวตนหยาบหยาบวิจิกิจฉาความลังเลใจในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในประสงค์ละความลังเลใจสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาก็ที่สามสีลับตาปรมาสสวดกันเดี๋ยวนี้ชีนะบัญชนสวดสวดสวๆมันบ้ากับชีนะบัญชนอะไรนี่ก็สวดกัน เป็นอร่อขลังจวดแล้วขลังโอขลังนั่นแหละเป็นศีลปตาปรมาตรทีนี้ถ้ า, ากว่าเราศึกษาศีนบัญชรชศีนบัญชรคือคาถาหรือว่าชื่อของพระอรหันต์แต่ละชื่อแต่ละชื่อแต่ละชื่อแล้วเราก็เอาประวัติของพระอรหันต์เหล่านั้นมาศึกษาศึกษาพระอรอหันต์องค์ไหนที่ข้าวตาเกิด เรียกว่าถูกเจโล ก, กับเราเนอะเราก็เอาประวัติของพระอรหันทรูปนั้นแหละท่านปฏิบัติยังไงอะไรยังไงนั่นเนี่ยมันจริงจะถูกที่นี่ไปท่องแต่จีนะบัญชรจีนะบัญชรชื่อพระพุทธเจ้าชื่อพระอรหันท์บ้ากันทั้งเมืองเลยเห็นไหมแม้แต่พระผู้ใหญ่ก็ยังบ้าเลยแต่ว่าไม่เอ่ยชื่อหรอกเดี๋ยวก็จะว่าวนี่เห็นไหมแต่ก็ทําให้คนก็เห็นผิดด้วยอย่างนั้นเห็นผิด ไม่จะเห็นอะไรอย่างนั้นนี่คือศีลปตาประารมาทพระโสดาบันและสกยตทิฏฐิวิจิกิจฉ า, า, าศีลปตาประมาททีนี้บางวัดเขาว่าโอ้อย่าไปเอามาแปรเลยหนังเือตาวัดของสวนโมกต์นะไม่ได้แปรแ ล, ล้วมันไม่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ศักดิ์สิทธิ์นี่ยน่าอย่าแปรเลยแต่เดี๋ยวนี้ก็ขยายออกไปมากไม่ไปแปรมันทําไมอ่ ก็ไปแปรมันจะให้โง่เชนี่เลยเพราะว่าพอเราตรวจทุกวันทุกวันทุกวันเราแปรทุกวันทุกวันทุกวันมันก็ซึมซับเข้าไปแล้วมันค่อยๆเกิดปัญญาขึ้นมานี่นี่เลยดีมากตรวดดีมากทีนี้คนที่โง่ก็ให้โง่ต่อกันไปเลยไม่ได้ให้โง่ต่อกันไปพระโสดาบันราศกญาิถิวิจิกิจาจาศีลปตาปรมาท สามอพระสกิทาคามีท่านทำ ร, ราคะโทชาโมหะให้เบาบางแค่นั้นเองแต่แล้วท่านก็ละอะไรจริงจังไม่ได้จะข้อหนึง่งงั่นคือพระอนาคามีพระสกิทาคามีส่วนพระอนาคามีท่านละได้แค่สองขอ้อกามราคะปฏิฆะโยมฟังให้ดีกามราคะ ก็คือกามกามก็คือสิ่งที่เราต้องการนั่นแหละสิ่งที่เราต้องการทั้งหมดไม่ว่ากามระหว่างเพศหรือว่ากามวัตถุกามทางนั้นสิ่งที่เราอยากได้นะกามทางนั้นนั่นเรียกว่าการมราคะราคาคือความพอใจพอใจในกิเลสกามพอใจในวัตถุกามนั่นพระอนาคามีท่านละกามราคเจน้ อกขหนึ่งก็คือปฏิฆะปฏิฆะก็คือความไม่พอใจความไม่พอใจเมื่อไม่พอใจมันก็โกรธนี่มันก็โกรธ น, น, นี่เนี้พระอนาคามีท่านจะไม่โกรธแล้วก็ท่านไม่ลหลงไหลในกรมวัตถุในการมกิเลสนั่นท่านละได้สองก้อนเทนี้เมื่อเรามาแปลว่ามันง่ายง่ายหน่อยง่ายง่ายหน่อยก็คือ ละความยินดียินร้ายยินดีก็คือยินดีในการมาวัตถุในการมากิเลสยินร้ายในเมื่อไม่ได้ดังใจก็เกิดโรพะโทสะโมหะขึ้นมานั่นแหละท่า น, นเข้าไปยินร้ายคือไม่พอใจท่านละความพอใจและความไม่พอใจในโลกนี้ออกเสียได้การเข้าไปพอใจ เสียพลังจิตเพราะเอาพลังจิตไปทิ้งแค่ที่ความพอใจนั้นการละความไม่พอใจกเอาไปทิ้งอีกนั่นแหละเปลืองพลังนี่เรียกว่าไม่ได้เก็บพลังไม่ได้เก็บพลังนี่ท่านจึงละความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้พอมาถึงพระอนาคามีนี่ท่านเก็บพลังแล้วตอนนี้ท่านเก็บพลังแล้วความพอใจไม่เอาความไม่พอใจไม่เอา ว่างว่างว่างว่างว่างว่างเอาไว้อยู่กับสงบเอาไว้สงบเอาไว้สงบเอาไว้สงบเอาไว้ท่านท่านเก็บพลังแล้วตอนนี้เก็บพลังแล้วเก็บพลังจิตเก็บพลังปัญญาเก็บทั้งทั้งพลังจิตแล้วก็พลังปัญญาในท่านก็เตรียมพร้อมเตรียมพร้อมที่จะเป็นพระอรหันในชาตินี้แต่ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะเป็นคือให้กิเลสมันหมดทีนี้พอ ไปถึงผู้ที่เป็นพระอรหันต์จะละรูปราคะอรูปราคะมานะอุทธัจจอวิชารูปราคาานะาาาคาก็คือสิ่งที่มีรูปเรียกว่ารูปประจานก็ได้รูปที่เป็นวัตถุก็ได้หรือว่ารูปที่เป็นนามธรรมที่ยศชื่อเสียงอะไรอย่างนี้นั่นเรียกว่ารูปทั้งนั้นเรียกว่ารูปทั้งนั้น ร, รูปราคะอารูปราคะตัวอารูปราคะนี่จะเป็นอารูปฌานนี่แหละมากกว่าท่านไม่หลงไหลในฌานแล้วไม่หลงไหลในเรื่องของฌานนี่ท่านละหอย่างหาอย่างรูปราคะอารูปราคะสองอย่างตัวที่สมคือมานะนี่แหละตัวนี้แหละตัวนี้แหละที่ไม่มีใครรู้ พระบางรูปกู น, นี่เลยเป็นพระลานนั้นเลยคือตัวมานะคือตัวมานะมานะคือถือตัวถือตนกูดีกว่าเขากูเก่งกว่าเขากูเก่งกว่าเขากูเสมอเขากูต่ํากว่าเขากูสูงกว่าเขานี่มานะตัวนั้นเรียกว่ามานะมานะอันนี่พระบางรูปไม่บอกว่าใครรู้กันเราเองก็แล้วกันเออ รู้แล้วเป็นประหานแล้วตั้งแต่เวลาตานั้นตานั้นละอันนั้นได้ใครจะไปพูดใครจะไปพูดอย่างนั้นนะใครจะไปพูดเป็นปัจจัดดังรู้ได้เฉพาะตนอยากจะรู้ว่าพระอาหารหันต์เป็นอย่างไรนี่ปฏิบัติก็นทีปฏิบัติเอาเองเลยจะรู้เรารู้แล้วไม่พูดท่านเป็นประหานเลยหุบปากเงียบเลยเงียบไม่พูด พูดไม่ได้คือไม่พูดไม่อยากพูดแม้แต่คิดก็ไม่อยากคิดอย่าว่าพูดเลยนี่เห็นไหมเพราะฉะนั้นมานะนั่นเรียกว่ายังมีมานะอยู่เป็นพระอรหันต์ไม่ได้ถ้ายังมีมานะอยู่กูเก่งกว่าเขากูดีกว่าเขากูเสมอเขากูสูงกว่าเขานี่มานะทางนั้นแหละมานะทางนั้นนั่นเรียกว่ามานะทีนี้ถ้าคนธรรมดานี่ไม่ต้องพูดถึงกับมานะนี่ เป็นมานะของพระอย่างนี้แหละเอาพัดงาช้างพัดด้ามงาช้างแ่เป็นพระผู้ใหญ่จันสูงแม่แล้วงาช้างเอามาทำพัดนะบาปไหมนั่นนะ่ะบาปไหมเนี่ยทีนี้ก็โอ้ยเพื่อยศถาบรรดาศัก์ที่บ้านที่อะไรมีห้องพระมีงาช้าง สองงามาตั้งงงเลยโอ้ยอะไรนะนะั่นน่ะนั่นอะไรนะั่นน่ะบาปไหมนะนะั่นน่ะนั่นบาปไหมพระพุทธเจ้าแม้แต่ว่าเอาขนเจียมเนาะเอาขนเจียมล้วนๆมาทำอาสนะเหมือนที่หลวงพ่อนั่งนี่ไม่ได้ขนเจียมก็คือจามารีนั่นแหละจามารีนะั่นจามารีมันไม่มีบ้านเราเหมือนกับควายก็ไม่ใช่มันเตี้ยกว่าควาย มันอยู่นู่นประเทศทิเบตนู่นมันขนมันยาวยาวยาวทีนี้ไปเอาขนจมามรีเอามาทาอาสนะล้วนล้วนก็ไม่ได้ท่านบอกว่าจะต้องเจือปนด้วยเส้นได้ต้องเจือปนถ้าไม่เจือปนปรับอาบัตนี่ปรับอาบัตทุกครั้งที่ไปนั่งจีวรก็เหมือนกันจีวรต้องเจือด้วยเรียกว่าจีวรเส้นไหม ไหมนะมันบาปไหมลองคิดดูเลกาคิดว่าโอ้โอกผ้าไหมไปถวายพระนี่ผ้าไหมใ ย, ยไหมนี่กว่าจะได้จีวรจากผืนหนึ่งเอาไหมไปฆ่ากี่ร้อยตัวล่ะเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเียงือเป็นหมื่นเป็นแสนตัวเสร็จแล้วก็เอาซักยาเอาไปฆ่าเอาไปต้มเอาไหมนะั้นแหละไปต้มพอต้มแล้วก็เอามาคลี่เอาใยนั้นออกให้หลวงพ่อไปดูเลย โรงงานที่เขาขายผ้าไหมเขาทำใจไหมกม็เห็นกิจ ก, กรรมของเขาว่าทํำยังไงทํำยังไงทีนี้พระพุทธเจ้าก็ห้ามห้ามไม่ให้จีวอนี่ทําด้วยไหมล้วนลวนลว น, นี่เห็นไหมทีนี้เรากวาดงาช้างมาตั้งงงเลยอยยุทธบรรมดาศักอะไรสูงอย่างนี้เป็นรัฐมนตรีก็มีงาช้าง บาปขนาดไหนลองคิดดูดิทีนี้ลองคิดดูพวกนายตุนทั้งหลายนี่นายตุนก็จะสั่งเอาเอากี่หมืน่นเอากี่หมื่นชันให้หมดอางาช้างมาฉันให้ได้อางาช้างมามันก็เลยไปฆ่าช้างอหไรเห็นไหมนี่นก็เลยไปฆ่าช้างแหมมันมีหน้ามีตาเหลือคืนมีหน้ามีตาเพราะว่าเอางาช้างไปวางไว้ที่บ้าน มันตกนรกทั้งนั้นเลยหลวงพ่ อ, อพอไปแม่สายหลายปีแล้วก็ไปเห็นลูกประคำอะไรที่เขาทำกับงาช้างก็คิดว่าไม่เอาหรอกบาปเอามานับทีหนึ่งก็บาปทีหนึ่งเอามานับทีหนึ่งก็บาปทีหนึ่งไม่เอาเอาลูกหินดีกว่าลูกหินมันไม่บาปเอาลูกหินดีกว่านี่ต้องรอบคอบถึงขนาดนั้นถึงขนาดนั้น เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์รบอบครอบมากทุกสิ่งทุกอย่างไม่อย่างนั้นก็เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้พระองค e ์รอบครอบละเอียดทีท้วนทุกอย่างนี่ทีท้วนทุกอย่างอะไรควรอะไรไม่ควรนี่รงทีท้วนหมดแม้แต่สบงจีวอ น, นี่อพอขาดแล้วไม่ใช่ก็ทิ้งทิ้งกว้างกว่างเนี่ยพอขาดแล้วก็ทําอะไรทาผ้าปูที่นอนพอทำผา้าพิเศปูที่นอนขาดอีก ทำอะไรอีกทำผ้าเช็ดเท้าทำผ้าเช็ดเท้าเสร็จแล้วมันลุ่งลิ่งแล้วมันเช็ดไม่ได้แล้วมันติดเท้าแล้วติดขวาเท้าแล้วทำอะไรอีกพระองค์ก็บอกว่าทำให้มันละเอียดทำให้มันละเอียดแล้วไปปนกับดินเหนียวปนกับดินเหนียวเอาไปทำอะไรเอาไปทาฝาก็คือเอาไปโบกเพราะว่าในประเทศอินเดียนะ เ ข, เขาจะเอาเชือกนี่ไปสารสารสารสานเอาเชือกที่แข็งแข็งหน่อยเอาไปสารทําเป็นขวาผนังเมื่อทําเป็นขวาผนังก็นี่แหละเอาดินเหนียวที่ผสมกับผ้ากีลิ้วนี่แหละก็เอาไปเอาไปเหมือนกับว่าเอาไปจาปูนอย่างนั้นเหมือนจาปูนอย่างนั้นทีนี้ถ้าไม่มีอย่างนั้นไม่มีผ้ากี่ลิว้วไปครั้งหนึ่งก็เห็น คนอินเดียนั่งสับไอเศษความเศษหญ้าเศษอะไรเนี่ยไปสับสับสับสัให้ละเอียดเขาก็สับละเอียดแล้วก็เอามาคลุกกับขี้วัวนาะนี่เห็นไหมแม่เราก็เห็นกองขี้วัวแล้วลีกเลยอินเดียไม่เลียกเราข้าไปแต่ครุบเลยขี้วัวนาะเอาขี้วัวมาผสมกับไอ้รากหญ้ากับหญ้าแห้งแห้งแล้วก็ขี้โครนเอามาผสมกันแล้วก็นั่ง รุกราวสองมือเลยไม่ใช่มือเดียวกว่าเราสองมือเลยนี่ก็ทําอย่างนั้นในประเทศอินเดียนะดังนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์จึงรอบคอบพระองค์ไปเห็นคนจนก็ทํำยังไงคนรวยทํำยังไงอะไรยังไงนี่อย่างนี้อันี้ไอ้มานะนี่ตัวนี้มานะตัวนี้เรมพูดว่าหลวงพ่อนี่เป็นเจ้าคุณนะก็ให้เป็นเจ้าคุณแต่จริงๆหลวงพ่อไม่เอาหรอกไม่ต้องออกมาถวาย แล้เขาก็ไม่ยายอยู่แล้ ว, ลวก็ซื้อกันนั่นเจ้าคุณน่ยมันจะได้มาง่ายๆนะก็ซื้อกันมานั่นเนี่ยต้องเอาเงินทองไปถวายเขาทีนี้ถ้ารมมติหลวงพ่อเป็นเจ้าคุณขึ้นมามีคนเอางาช่างมาถวายบอกไปไปไ ป, ไปอาไปให้พระองค์อื่นเถอะหลวงพ่อไม่เอาหลวงพ่อไม่เอาไปเถอะเห็นครั้งหนึ่งก็บาปครั้งหนึ่งเห็นครั้งหนึ่งก็บาปครั้งหนึ่งไม่เอาหรอกไม่เอานี่เห็นไหมเพราะอะไรมานะ ว่าเราสูงกว่าเขาเราเก่งกว่าเขาเราอะไรกว่าเขาโอ้ดูที่เครื่องใช้ไม้ฉ ỏi ถึงขนาดนั้ น, นจีวรก็ทํากับหมยที่นั่งก็ทํากับหม ย, ยังไม่พออีกยังไม่พออีกนะทํากับหมออะไรดีๆแล้วเอาไอ้กากเพชรกากเพชรเอากากเพชรก่มา มาโปรยโปรยเพระโอ้ยถ้าองนี้มีรัชมีนะนั่นแหะดูที่เปลวพราวเปลวพรา ว, ร ว, ร ว, ร ว, รวที่จีวอ น, นมันบ้า น, นเห็นไหมนั่นแหะมันบ้าแล้วอย่างนั้นแหละไปดูเอาเองในโทรทัศน์มีไม่ต้องบอกแล้วว่ารวัดไหนรู้กันอยู่เองทั้ง น, น, นั้นเห็นไหมนั่นแหละกูทั้งนั้นกูทั้งนั้นเลยมีแต่กูทั้งนั้นอจีวอนนี่กดซักนี่ก็จ้างซัก อยางจักเต็ดและกดอบแล้วก็มีหอมเนีย่ยเพราะว่าเดินผ่านอย่างนี้มีกลิ่นหอมต้องเราไม่ต้องเมนทร่าประช้ยได้แล้วไม่เป็นไรนี่เอาแค่นั้นพอเดี๋ยนี้ยิ่งพระสมัยก่อนไปเอาผ้าที่ไหนมานะพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าไปหาที่ป่าช้าที่ป่าชัดที่ไหนต่อที่ไหนที่กองขยะแล้วมันได้มาเป็นรูปอะไรจีวรลองดูที มันก็เอามาซักเอามายอมเอามาเย็บเองอะไรเองมันสวยที่ไหนมันสวยที่ไหนเดี๋ยวนี้มันสะอาดมันเรียบร้อยเป็นผ้าพื้นเดียวเมื่อก่อนหายากแล้วเดี๋ยวนี้แหมอาใจรพระพุทธเจ้าแต่ ét, เร็จแล้วก็เลยมาก่อกินพระพุทธเจ้ามาก่อกินพระพุทธเจ้าเอาพระพุทธเจ้ามาทําสินค้าแล ma ers, ้๋วมาทํารวยเชอะนี่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นไปนั่นก็เรียรกว่ามานะทางนั้นมานะทางนั้น ถือตัวถือตัวถือตนถือตัวถือตนนี่ถือตัวมาหน้านี่แปลว่าถือตัวทีนี้การจะเป็นพระอรหันนี่มันไม่มีตัวไม่มีตัวมันไม่มีตัวมันก็ไม่ใช่กูนั่นแหละมันไม่มีตัวเมื่อไม่ใช่กูไม่ใช่กูมันอยู่ที่ตรงไหนไม่ใช่กูไม่ใช่มันอยู่ที่เนื้อหนังไม่ใช่กูมันอยู่ที่จิตโน่นจิตมันไม่ใช่กู ถ้าจิตแต่มันไม่ใช่กูแล้วเนื้อหนังมันจะเป็นกูได้ยังไงเนื้อหนังก็มันไม่ใช่ของกูที่อะไรก็ไม่ใช่ของกูที่มันก็ไม่ใช่กูหมดนี่เวลาเราอ่านหนังสือไม่ใช่กูนี่ดูเข้าไปข้างในดูเข้าไปข้างในดูที่จิตนั้นมันไม่ใช่กูไม่ใช่ร่างกายว่าอย่างนั้นก็ไปนั่งเถียงกันอยู่นั้นขอพ่อบอกว่าภาวนาว่าไม่ใช่กูไม่ใช่กูนั่งเถียงกันอยู่นั้นแล้ไม่ใช่กูแล้วใครที่มันนั่งอยู่ตรงนี้ นี่มาที่นั่งอยู่มันธาตุาตุทางนั้นแหละดูเข้าไปข้างหนต้องดูเข้าไปข้างหนนี่มันต้องอย่างนั้นนี่เรียวกว่ามานะมานะมานะรูปราคะอรูปราคะมานะสามตัวแล้วสมตัวแล้วอีนี้ตัวที่สี่เรียวกว่อธธาอุท ธ, ธ, ธัจจ์อุทธัจจ์นี่ระวังหน่อยอุท ธ, ธัจจ์เปรี้ยทึ่งทีนี้อีกตัวหนึ่งเรียว่า อุทัช จ, จะกุกอุด จ, จ่าอุดทัช จ, จะกุกอุด จ, จ่านี่ก็คนละอย่างกันคนละอย่างกันอันนี่คืออุดทัช จ, จ่าอุดทัช จ, จ่กอุดทัชจ่าแปว่าทึ่งแปลว่าทึ่งโอ้เขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เขาตรงยานอาวกาศไปที่ดวงจันทร์แล้วก็ช่างหัวมันมันอยากโง่กันไปหาไปให้ทุกๆดวงดาวเลยแล้วชีวิตมันพอไหมชีวิตมันไม่ถึงร้อยปีเลย ดวงดาวไม่ลูกกี่ล้านดวงทีนี้เรามดว่ามันเกิดมาครั้งหนึ่งไปดวงดาวนั้นได้ดวงเดียวเกิดมาครั้งหนึ่งไปดาวดวงนี้ไปดาวดวงโน้นไปดาวดวงนั้นแต่มันฉลาดอ่ะมันฉลาดที่ไหนเมืองจีนเขาบอกว่าไปถึงยี่ครั้งก็ยังไม่จบเพราะว่ามันมีหลายที่ต้องไปกัน30ครั้งมันจึงจะหมดทีนี้เรากดเสียเงินไปเท่าไหร่สามสิครั้งเนี่ยไปมันทํำไม ไปครั้งสองครั้งก็พอแล้วพอแล้วนี่ไปดูว่าเขาทาอะไรเป็นยังไงทีนี้ไปดวงดาวนะไปดาวดวงนั้นก็มีแต่ก้อนหินไปดาวดวงนี้ก็มีก้อนหินไปดาวดวงโน้นจะไปหาว่ามันเคยมีสัตว์ไหมมันเคยมีมนุษย์ไหมมันเคยแล้วมันเรื่องอะไรมันเรื่องอะไรไ อ, อตัวเองเป็นอะไรเนี่ยอูนี่เป็นสัตว์หรือเป็นคนหรือเป็นมนุษย์หรือเป็นอะไรนี่ทําไมไม่มองหาข้างใน มันต้องดูภายในดูภายในแล้วก็ดูว่านี่ธรรมชาติเขากาหนดให้เรามาไม่ถึงร้อยปีเราตายเสร็จแล้วพอเกิดมานี่โน่นไปทํางานกับนาซาก็ทํางานกับนาซาโอ้พอเข้าใจธรรมะในพุทธศาสนาเลิกไม่ต้องทําแล้วกับนาซาปฏิบัติธรรมดีกว่าก็ปฏิบัติธรรมแล้วก็ไปไปบรรยายธรรมบรรยายธรรมบรรยายธรรมให้คนก็รู้ ให้มองข้างหไม่ใช่มองไปข้างนอกนี่ทําอย่างนั้นเราจากนั้นนี่เรียกว่าอุทธัจจะแปลว่าทึ้งแปลว่าทึ้งทีนี้เรานี่เรานี่พอเข้าไปดวงจันทร์ก็กดทึ้งก็ไปดาวอังคารเราก็ทึ้งอะไรมันทิ้งหมดมันทึ้งหมดนั่นก็เรียกว่าอุทธัจจะมันทึ้งมันทึ้งมันทิ้งอะไรทึ้งหมดว่างูสองหัว ง้สองหัวไปดูเธ อ, อเก็บกันละสิบบาท1ิบาทก็ไปดูอีกอมันตึงอีกว่าวัวสีห้าขาไปดูอีกวัว5้ขาให้มันเหลือมาขาหนึ่งมันผิดธรรมชาติเห็นไหมก็ไปดูอีกนี่มันตึงหมดเนี่บอกว่าโอ้เรือเอาขึ้นมาจากแม่น้ำเจ้าพระย า, าเสร็จแล้วตัวเลขพูดไปกันดีแล้วนี่ตึงหมดแล้วงหมด นี่คือไอ้พวกโง่มันโง่ทางนั้นเลยทีนี้พวกโง่ใครจะจูงไปทางไหนก็ไปหมดจากนั้นคนฉลาดฉลาดแกมโกงหรอคนฉลาดแกมโกงก็เลยหากินกับคนโง่หากินกับคนโง่ทีนี้คนฉลาดแกมโกงนี้พอไปบวชก็ไปก็เป็นพระพอเป็นพระก็เป็นพระฉลาดแกมโกงอีกเลยอ่าก็เลยนานไปทําธุรกิจมาเลยทีนี้เห็นไหมเพราะว่า เขาเห็นว่าเออถ้าพระได้ว่าอะไรก็จริงหมดจริงหมดจริงหมดมันไม่จริงที่มันไม่จริงที่นี่ฉะนั้นเราเป็นพุทธบริษัทพุทธพุทธพุทธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานฉลาดต้องเป็นคนฉลาดพุทธบริษัทต้องเป็นบริษัทที่ฉลาดเรานี่อยู่ในบริษัทเดียวกันบริษัทของพระพุทธเจ้าฉะนั้นพุทธบริษัท บริษัทของผู้รู้บริษัทของผู้ตื่นบริษัทของผู้เบิกบานนี่บริษัทของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นภิกษุภิกษุณีอุบาตกอุบาสิกาต้องเป็นคนฉลาดเมื่อเราเข้ามาในร่มโพของพระพุทธเจ้าเราต้องเป็นคนฉลาดไม่ใช่ไปทิ้งอยู่อะไรก็ทิ้งอะไรก็ทิ้งอะไรก็ทิ้งไปเห็นเพชรค่ะ ของราชินีประเทศอังกฤษอู้ใหญ่โตมโหฬาร <c oughs> อยู่ที่หน้าปากโอ้ยแหววาวแหววาวอะไรนี่เอาก้อนหินมันทุ่งหัวมันหนักทําไมนี่นั่นมันอย่างนั้นถ้าพระอริยเจ้าเขาเห็นอย่างนั้นแต่ว่าเราพอเห็นก็ทึ่งตาลุกวาวเลยลุกวาวเลยเห็นเพชรทีนี้คนฉลาดเขาเห็นอะไรก้อนหิน เห็นเป็นก้อนหินแค่นั้นเองเห็นไหมนี่แหละมันต้องฉลาดบริษัทพุทธบริษัท ต, ต้องฉลาดทีนี้ถ้าบริษัทเฉยเฉยน่ะมันก็เจ๊โกแ ล, ล้วบริษัทเฉยเฉยเจโกน่ยหาผลประโยชน์ทั้งนั้นบริษัทเฉยเฉยแต่ว่าเรานี่พ่วงไปโดยพุทธบริษัททีนี้ของโยมกับบริษัทนั้นบริษัทนี้บริษัทโ น, น้นใครจะโกงเท่าไหร่ใครจะกินเท่าไหร่ใครจะ เอากําไรเท่าไหร่ไม่ใช่บริษัทของพระพุทธเจ้าแต่บริษัทของพระพุทธเจ้าต้องเป็นบริษัทที่ฉลาดที่ฉลาดคือเป็นพุทธเป็นพุทธบริษัทเนี่ยพุทธบริษัท เ, เห็นไหมเพราะฉะนั้นอย่าไปทิ้งอะไรก็อย่าไปทิ้งมันอย่าไปทิ้งมันนี่พระรหันท่านต้องละตัวนี้ละรูปราคะ ระอรูปรคาคะละมานะคือตัวกู้ตัวกู้ตัวกูไม่ใช่กูไก้ไม่ใช่กู้ไม่ใช่กู้และไม่ใช่กูไม่ใช่กูไก้ไม่ใช่กูก็คือว่างจากตัวกูว่างจากตัวกูอะไรที่ทํามันมันเกิดตัวกูล่ะราคะโทสัโมหะนั่นแหละที่มันทําให้เกิดตัวกูทีนี้เราละตัวกูก็ต้องละราคาตร ะ, ะต้องะละโทสัตต์ต้องละโมหานั่น คือตัวกูที่มันมาเป็นตัวกู น, นี่ละมานะตัวเดียวก็คือละตัวกูละตัวกูนีมานะมานะนะอุทจัจจะทึ่งจะทึ่งอะไรมันไม่มีตัวกูเลยมันจะไปทึ่งอะไรมันไม่ทึ่งแล้วถ้าทึ่งเขกัวตัวเองทีหนึ่งก็โง่อีกแล้วโง่อีกแล้วเนี่ยโง่อีกแล้วไปทึ่งอะไรไม่ได้ถ้าทึ่งโง่ทันทีเลยโง่ทันทีเลย หลวงพ่อตอนที่เป็นเนน่ะอยู่วัด บ, บำรุงตอนนั้นออกมาปัดสาวะตอนกลางดึกออกมาปัดสาวะมันประมาณสาก30เมตรได้ที่ไกลจากกุฏิมีแสงมันมีดวงควยโผล่ขึ้นมาแล้วก็ดวงย่อยถ้าตะเกียงเจ้าอายุนั่นแหละแล้วก็ลอยขึ้นมาในอากาศแล้วก็มาตกลงไกลหน่อย ก็เลยกลัวผีทีนี้วัวผีแล้วผีแล้วก็ผีแล้วก็ไม่กล้านอนเลยทีนี้ไม่กล้านอนต้องไปพลอยนอนพุตติ์หลังอื่นแรบบ้วเนที่เป็นเพื่อนเพื่อนกันนั่นแหละทีนี้ก็หลวงพ่อก็ติดอกติดใจติดอกติดใจคือพิจูดพิจู ด, ดว่ามันอะไ ร, น, ะไรนี่มันอะไรนี่มันอะไรนี่มันอะไรพยายามอ่านหนังสือพยายามพิจูดอะไรพิจูดพิจูดก็คือแกส๊สนั่นแหละแกส๊ส แก๊สที่มันสะสมสะสมสะสมสะสมพอสะสมเส็จแล้วมันขึ้นมาพอขึ้นมามันก็มาเจอกับอากาศที่มันเป็นออกซิเจนนะก็เป็นไฟนะมันก็ติดไฟติดไฟแนละ้วกว่าไอ้ไอ้ไอ้แก๊สนั้นมันจะหมดจะดับนะนะมันก็ลอยไปจนกว่ามันจะดับที่นี่หลวงพ่อว่าเออ enfin, ที่เขาว่าอะไรอะ ไ, ไฟไปอย่านาะค ควาโง่ทั้งนั้นเลยควาโง่ทั้งนั้นควายพญานาก็เหมือนกันไอ้แก๊สนั่นแหละที่มันสะสมสะสมสะสมปีหนึ่งแล้วก็มันได้แก๊สอันนั้นมาพอได้แก๊สอันนั้นเหมือนกันน้ำหมุกน้ำมันอะไรพวกนี้อพอถึงเวลามันอยู่ไม่ได้แล้วมันสุกพอมันสุกกล็ลอยขึ้นเหนือน้ำผมไม่เจออากาศก้าวมันก็ติดไฟติดไฟขึ้นเอา้าเราก็อุดทัชจาขึ้นมาอีก พุทธเจ้าไปทึ่งไปดูทางโน้นก่เลยหาโอกาสหาโอกาสหาผลประโยชน์เซะเลยนั่นบอกว่านี่อะไรพญานาคนั่นแหละไอ้ของพญานาคพญานาคนั่นแหละคือภาคอีสานทั้งภาค แ, แถวนั้นเขานับถือพญานาค ก, กันทางนั้นเห็นภูเขายาวยาวกว่านั้นภูเขาพญานาคเห็นรอยงูรอยอะไรก็รอยพญานาคนี่พญานาคมันขึ้นสมอง แกวภากิสานไปยานาคขึ้นสมองนี่มันเป็นอย่างนั้นทีนี้ไอปลาอะไรที่ตัวมันยาวๆเขาก็ว่าพปยานาคอีกนั่นแหละนั่นเนี่ยอุทัจจะทางนั้นแหละพวกนี้อุทัจจะทางนั้นทีนี้เช่นว่าเอาศักดิ์สิทธิ์เกิดขึ้นมาที่นั้นที่นี้นที่โน้นมีแต่ศักดิ์สิทธิ์อ้าวคนโง่ก็ไปกันอีกละหลวงพ่อก็เคยเหมือนกันเคยตอนที่เป็นสามเณรอีกเละบวชใหม่ๆตอนนั้นบวชใหม่ๆที่นี้ เนรรูปหนึง่งปัญษามากแล้วอายุ30สแล้วยังเป็นพระไม่ได้เพราะเนรองค์นี้เป็นเป็นโรคประจําตัวคือโรคชักโรคชักบ้าหมูชักยก็เรียกว่าบ้าหมูชักเป็นโรคชักทีนี้เขาล่าลือกันโอ้ที่โ น, น้นที่นครโน้นน้องไก่เถื่อนมีศักซิ์สักซิดเกิดขึ้นมาแล้วทำน้ํามน ทำน้ำมนต์เสร็จแล้วใครเอาไปกินใครเอาไปตบหัวหายหมดโอ้ทีนี่หลวงพ่อก็ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรเนรองนี้ไม่มีเพื่อนไม่มีเพื่อนก็ชวนหลวงพ่อว่าไปไปไปน้องไก่เถื่อนกันชี่ว่าน้องไก่เถื่อนไปน้องไก่เถื่อนกันไปเอาน้ำมนต์สักซิตอ่าแกจะได้ออมมารักษาไอ้โรคซักนะั่นะให้หายอ้าเราเป็นเนนก็เกรงใจแกอีกไปอีก ตัวเองก็ไม่รู้ว่ามันจักถิ่นยังไงก็ไม่รู้ก็ดูๆไปอย่างนั้นเดินไปเดินนะสมัยนั้นไม่มีรถอ่พสองพัน่ราสิบห้ารถมันมีที่ไหนสมัยนั้นเดินตัดทุ่งนาไปตัดทุ่งนาไปพอดีเขาเกี่ยวข้าวเสร็จหมดแล้วเดินตัดทุ่งนาร้อนก็ร้อนร้อนไม่เดินแล้วทางคันนาร้อนพอนปไปถึงจากวัดบ้านหม่เนะี่ย จากวัดบ้านใหม่ก็ไปที่ถึงควรฉลิทถึงควรฉลิทก่อนก่อนที่จะถึงควรฉลิทกดเที่ยงที่กลางทางมีพระอยู่กันโต๊ะก็ได้ไปปล่อยฉันข้าวที่กันต๊บนั้นแหลยก็ฉันไม่ได้มันเห น, น, น, น, นื่อยเหนื่อยเหนื่อย่อยเหลือเหนื่อยผมย่ำคำ่ำใกล้จะค่ําก็ไปถึงควรฉลิทพอไปถึงที่ควรฉลิตธ์า็มันมีวัดอยู่บนควรมีศาลาอยู่ข้างล่างก็ไปพักที่ศาลา พักที่ศาลาเสร็จก็ได้ฉันยังไงไม่รู้ลืมไปแล้วมันหลายสิบปีแล้วพอวฉันเสร็จเดินต่อเดินต่ออีกเดินต่อไปถึงแม่น้ำที่ไปปากพนังนะแม่น้าปากพนังขึ้นมาเจ้าอวดเขาจะมีเรือยนต์สมัยนั้นก็ไปถึงกบขํามพอดีอีกทีนี้มันมีตลาดมีตลาดนัดก็ไปนอนอที่ตลาดนัดเพราะวันนั้นก็ไม่ได้นัด นอนที่ตลาดนัดทีนี้เรานี่โง่ไปแล้วสองคนคนมาจากวัวซอยอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มโง่เหมือนกันกลุ่มโง่เช่นเดียวกันแหละก็เลยมารวมกลุ่มกันเป็นสองกลุ่มโง่พอสองกลุ่มโง่มันนอนอยู่ที่ที่นั้นพอเช้าขึ้นมาก็ข้ามเรือข้ามเรือไปขวางโน้นข้ามแม่น้ําไปขวางโน้นไปขวางโน้นทีนี้ก็เดินเดินไป ยังไม่สว่างดีละเดินไปเดินไปเดินไปเดินไปเดินไปเดินไปเป็นยังไงเน่นองค์นี้เกิดชักขึ้นมากลางทางทีนี้เนะี่ยได้เรื่องอีกแล้วชักขึ้นมากลางทางเอ้หลวงพ่อก็ไม่รู้จะทํำยังไงมียามหมองก็เลยจับอุดเข้าไปอุดเข้าไปในะจมูกของแกนั่นแหละทาไปบ้างอุดไปบ้างนั่นเนะ่ยทำอยู่อย่างนั้นนะเนี่ยเห็นแล้วก็พอสักพักหนะึ่ง เวลาชักก็น้ำลายน้ำมูกนี่คู่ปากเลยคู่ปากคู่ปากกบไปอา้าพอเลิกชักแล้วก็เสร็จแล้วก็ปล่อยต่อเดินต่อต่อไปถึงบ้านเ้าที่หนองไก่เถื่อนอย่างนั้นไปถึงบ้านศักดิ์สิทธิ์พอไปถึงบ้านศักดิ์สิทธิ์มีคนนั่งเต็มพวกงโง่ท่านนั่นแหละเราก็เป็นพวกงโง่ไปด้วยแต่พวกงโง่เนรอันนี้เนรโง่โน่นชาวบ้านโง่ก็ใดฉันอะไรก็ไม่รู้ไอ้ตอนนั้นลืมไปแล้วเหมือนกัน จนฉันเสร็จอะไรเสร็จเนี่ยก็ได้น้ํามนไปคนละขวดได้น้ํามนไปก็ได้น้ํำมนแล้วก็กลับหลังมาขึ้นเรือที่แม่น้ํานั่นเอง ก, ก็ออกมาขึ้นที่เจ้าอวดขึ้นที่เจ้าอวดก็ขึ้นรถไฟทีนี้ขึ้นรถไฟจากเจ้าอวดก็มาที่ปากครองทีนี้มาลงปากครองเนี่ยปากครองตรงนี้ ที่ปากคลองเมื่อก่อนก็ไม่เรียกปากคลองหรอกเขาเรียกว่าปากคลองท่าแน่ปากคลองท่าแน่ยีนี้พอลงจากรถไฟก็ต้องเดินไปหน่อยหนึ่งไปถึงมีเรือยนต์ก็ไปมีเรือยนต์ลงเรือยนต์แล้วก็ไปไปถึงก็ไปข้ามอยู่ที่ตะเครียนเนี่ย ถ, ถ้าเราไปที่สะพานนี้สะพานสะพานยาวนี้เราจะถึงวัดตะเครียร่ย ถ้าเงวัดตะเคียกก็ไปพักที่วัดตะเคียกเพราะว่ารู้จักกันที่นั้นก็ดีกันอยู่พอไปวัดตะเคียนอนคืนหนึ่งพอเช้าฉันเช้าเพราะมันหิวหิวเหลือเกินแล้วมันลําบากมาสองสามวันแล้วหิวเหลือเกินก็ฉันเจ้ากันฉันเจ้าก็จะมีถาดมีจาต t r a ราอาหาร t r ราอาหารที่นี่เราเม น, นก็นั่งร้อมวงกันสองสามี่เมน ก็กำลังนั่งจันพอดีเน้นตรงนี้ชักอีกโ อ, โอ้โอ้ยยกถาดอาหารกันไม่ค่อยทันเลยอร่อยชักเอาชักเอาพอได้น้ามนต์เนี่ยตอนที่ไม่ได้น้มนนามนต์นานนานชักทีหนึ่งพอได้น้ามนต์ก็ชักเอาชักเอาเป็นทางนี้เนดี๋นึกกลับเหมือนก็นเลยพอได้โอกาสก็ ก, กลับวัดกลับวัดนี่แหละคือก็อเรียกว่าอุดทัดจากไปตึ้งไปตึ้ง นี่วเป็นศีรับปะตะจปรมาจิจนเป็นอุททัตจักนี่ไปทิ้งว่าจักจิิทธ์อย่างนั้นอย่างนี้เลิกเลิกจักจิทธิ์เลิกจักจิตไม่เอาไม่เอานี่คือศึกษาต้องศึกษาเพราะฉะนั้นมีอะไรที่มันขับคล้องใจอยู่เราจะต้องศึกษาอุททัตจักทิ้งอุททัตจักทิ้งทีนี้ไอสีนะ อะไรข้อที่หนึง่งกรรข้อที่หนึง่งสีลประจาประมาทอันนี้ก็เหมือนกันเนี่แต่ว่าอ น, นุนมันทึ้งทึงตัวเดียวแต่ว่าศีลปรจาประารามาทนี่ก็ทํานองเดียวกันไงทำนองเดียวแต่อ น, นุนมันนิดเดียวไปทึ้งนิดเดียวพอเขกุ ว, วทหนึ่งมันหายมันหายเนี่ยไอ้ทึ้งนั้นแหละมันจะหายโดยทีหลังมันจะไม่ทึจจ้งอุทตตจารูปาราคะอรูปราคะ มานะอุดทัตจัตัวชุดท้ายที่พูดเมื่อคืนนั่นแหละพูดแล้วพูดอีกอาวิจชานั่นตัวนั้นแหละอาวิจชาอาวิจชาคือจิตโง่นั่นแหละดังนั้นจิตมู่มันออกมาเป็นอะไรต่ออะไรนี่มันออกมาหมดออกมาเป็นอะไระตั้งแต่สกฤตทิฏฐิวิจิจิชา ศีลปะปัจประมาตน่นะแก้ไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดแล้วก็ทำกรรมรทราคะโทสะโมหะห้เบาบางแล้วก็แก้ความยินดียินร้ายนะการมราคะปฏิคะนั่นพระโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีแก้ได้ห้าโคสามเรงได้แก้ห้าโคเองห้าโคเอง พอไปถึงพระอรหันต์ทำงานหนักทีทเดียวหขอ้อเลยรูปารากะอรูปราก ะ, ากะมานะอุตตัจ้วิชาอวิชานั่นแหละนั่นคือเจ้าโกรงเรียกว่าเจ้าโกรงมันอวิชาเจ้าโกรงของตัว ง, ง่ก็คือจิตง่นั่นแหละอวิชฌา น, นทีนี้เราต้องคิดว่าหนักเราไม่กลัว เราทุกคนจะต้องไปข้างหน้าอย่าถอยหลังอย่าเดินถอยหลังต้องเดินไปข้างหน้าใหหลวงพ่อบอกว่าระว่างสมาธิกับวิปัสสนาเราไปแยกกันไปแยกกันที่สัมมาทิฏฐิไปแยกที่สัมมาทิฏฐิพอทำสมาธิเสร็จแล้วยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนา เกยยกขึ้นทรูปัญญาอันี้การยกจิตขึ้นทรูปัญญาก็เท่ากับว่าตลกมาข้างหน้าอีกแล้วลงไปข้อที่8แต่ก็ต้องขึ้นมาข้อที่หนึ่งเห็นไหมต้องขึ้นมาข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งคือสัมมาทิฏฐิมีความเห็นอันถูกต้องมีความเห็นอันถูกต้องเห็นอริยสัจสีเห็นขันห้าเห็นปฏิจัตยโมบาทสามตนเห็นสามตน เห็นนเห็นเออเห็นอริยสัจสีเมื่อคืนก็พูดกันโดยละเอียดอันนี้มันต้องเห็นทั้งอนิจจังนี่ตอนแรกๆนะตอนแรกๆยกขึ้นสุวิปัสสนาให้เห็นอนิจจังนี่ใช้ปัญญาแล้วใช้ปัญญาแล้วปัญญาที่ยังยังไม่แก่กล้าพอเห็นอนิจจังเห็นอนิจจังเอาตรงไหนเนี่ยนั่งหลับตาอยู่ เห็นยังไงนั่งหลับตาทําสมาธิถ้าลืมตาก็จะเห็นหลับตามันไม่เห็นเอาไอ้สัญญานั่นแหละเอาผมเอาผมเอาผมมาเป็นเรียกว่าเป็นพระเอกเอามาเป็นพระเอกแล้วก็พิจารณาเส้นผมนั่นน่ยว่ามันเป็นอนิจจังเป็นอนัตตายังไงดูดเส้นผมเส้นผมมันสีสันตอนที่คลอดมาใหม่ใหม เส้นผมเป็นยังไงตอนที่โตขึ้นมาเป็นหนุ่มเป็นสาวเส้นผมมันเป็นยังไงตอนที่แก่อายุสามสิบ้าสี่สิบเช้นผมมันเป็นยังไงพอหกสิบเดสั้งหัวนะมันเป็นยังไงมันใส่หมวกขาวแล้วทีนี้ใส่หมวกขาวแล้วเปลี่ยนแปลงนี่มันเปลี่ยนแปลงเส้นผมเปลี่ยนแปลงทีนี้อาหารของมันสะอาดไหม อาหารของมันก็จกกระปรกเห็นไห้จบกระปรกมีน้ําเลือดน้ําหนองนะ่ะเป็นอาหารของมันนี่โยมจยําแล้วก็ไปดูไปทำเถอมันมีน้ําเลือดน้ําหนองนะ่ะเป็นอาหารทีนี้ก็เช่นผมมันก็กินน้ําเลือดน้ําหนองเข้าไปพอมันดูดน้ําเหลืองน้ํำหนองน้ําเลือดนั้นมาเนี่ยมันกกลายออกกายออกทิ้ง ไอ้ที่เส้นผมแต่ละเส้ น, น, นมันเป็นรูเล็กเล็กเลมันสําหรับที่จะคายคายไอ้ขี้เลยก็เราเรียกว่าขี้ลังแคน่ะเลยเมันออกมาพอคายออกมาเสร็จแล้วเป็นยังไงเส้นผมมันก็ไม่ได้อยู่อย่างนั้นตลอดไปมันต้องยาวออกไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยจนรูมราบเห็นไหมจนรูมรามพ ร, ร, ระก็ต้องโกนโยมก็ต้องตัดนี่ต้องตัด นั่นคือความไม่เที่ยงของเส้นผมความไม่เที่ยงของสีสันของเส้นผมความไม่เที่ยงของที่อยู่ที่อาศัยมันก็จบ ก, กระปรกสีสันมันก็จบ ก, กระปรกอาหารของมันก็จบ ก, กระปรกเอมันมีแต่จบ ก, กระปรกทีนี้ถ้าเส้นผมมันตกลงในจานข้าวหรือว่าในแกงอย่างนี้ในถ้วยแกง เราพอกินอาหารเข้าไป <c oughs> ติดเส้นผมเข้าไปกรีนไม่ลงหรอกมันกรีนไม่ลงมันต้องทิ้งทั้งคํานั่นแหละเขาจึงมีธรรมเนียมว่าผู้ที่ทําอาหารนั่นจะต้องครุมเส้นผมหมดก็เกิดเป็นลัทธิของศาสนาอิสลามขึ้นมาเห็นไหมก็ต้องคลุมหมดครุมหมดครุมหมดทีนี้มันศกระปรกมันเป็นสิ่งที่ศกระปรกมันน่าเกลียด สีสันมันก็น่าเกลียดที่อยู่อาศัยมันก็น่าเกลียดแล้วหน้าที่การงานของมันจะทำอะไรหน้าที่การงานของมันสำหรับที่จะกลุ่มสีสากเพื่อจะป้องกันความหนาวความร้อนเสร็จแล้วเป็นยังไงาสาหรับหน้าที่ในการที่จะรับกี่คนแล้วเลยต้องอาบน้ำต้องสาต้องสางกันอยู่เรื่อยนี่อาณิจังอาณิจังอาณิจังอณิจังเส้นผมก็เป็นอาณิจัง ขนตัวตัวก็เป็นอนิจจังเป็นอนิจจังเล็บผมขนเล็บเล็บก็เป็นอนิจจังจกกระโปรกว่ายาวก็มีกี่เล็บมีอะไรจกกระโปรงดูแล้วจกกระปรกแต่เขาดูดสวยงามก็ชอบกันเล็บยาวนี่ไปต่อเล็บมันเป็น พันธุ์ๆนั้นนะเล็บยาวเหมือนกับเล็บนกจยางนั้นเน่ยเหมือนเล็บนกอก็ว่าสวยก็าสวยหลงพ่อดูแล้วมันจะอิจฉาเอียนเหลือเกินอทีนี้พวกที่เล็บยาวๆนะพวกนี้มันหุงข้าวไม่เป็นหรอกหุงข้าวไม่เป็นเพราะเวลาหุงข้าวมันต้องสาวข้าวสาวข้าวอะมันจะไปสาวข้าวยังไงตอนนี้เวลามันหยิบของนี่มันทําอย่างเงี้ยไม่เออมันยังไงก็ไม่รู้ตกลงเป็นตะเกียบไปเลยเป็นตะเกียบเนี่ยดูแล้วมันจกกระป๋อง ก็ไปเป็นนี่ไปเป็นเล็บไปเป็นแล็ไป เ, เไปเ็นลายอย่างนั้นลายอย่างนี้ว่ากันไปอู้อะไรก็ไม่รู้นี่ ด, ดูดินี่เกษาโลมาหนาขาหน้าขาคือเล็บหน้าขาคือเล็บมันก็คือกระดูกอ้นั่นแหละที่มันงอกออกมานะ่ยงอกออกมาเลยมันเหลือและมันจกกระโปกและมันมีหน้าที่อะไรไวหวแก่ ว่เก่าอ่าพอเก่าแล้วก็เกิดขี้เล็บขึ้นมาอะไรขึ้นมาหน้าที่ของมันก็เหมือนเทศบาล น, นั่นแหละคนที่ทํางานเทศบาลกวาดถนนนั่นนั่นนี่คือพวกเล็บมันก็จกกระปลกจกกระปลกทั้งนั้นมีแต่จกกระปลกท้งนั้นผมขนเล็บเอาทีนี้คันไปควันควันต้องพิจารณาคันอีกควันตอนแรกเรีย ก, ก, กว่าควันน้ํานม เด็กเด็กก็ควันน้ำนมพอควันขึ้นมานเรียกว่าวันน้ำนมจนควันน้ำนมเต็มปากพอได้เวลาควันน้ำนมก็หลุดไปหลุดไปหลุดไปก็เกิดคันแท้ขึ้นมาควันแท้มันก็ไม่แท่อีกนั่นแหละมันแท่ที่ไหนมันหลุดมันลุยมันโยกมันเยกมันก็ไม่แท่เหมือนกันควันน้ำนมก็อนิจจังอนัตตา ควันแท้ก่อนิจจังอนัตตานี่มันเป็นอนิจจังทางนั้นแล้วมันสวยที่ไหนไปดัดฟันกันหลวงพ่อพอเห็นดัดฟันแล้วก็หันหันหน้าไปทางอื่นพอไปเห็นคนยิ้มยิม้มคนที่ดัดฟันก็ยิม้มเลเห็นยิ้มแล้วเหมือนผีหลอกอย่างนั้นเนี่ยกลัวกลัวไม่ใช่กลั ว, ล ว, ลวผีกลัวคนดัดนวั น, นก็สวยยังไง ก, ก็ไม่รู้นี่เห็นไหม นั่นเนี่คือมันเห็นผิดเห็นผิดไปเห็นผิดไปมีจะรักษาให้มันสะอาดสะอาดสะอาดก็แล้วกันนี่ให้มันสะอาดอย่าให้มันติดมีอะเศษอาหารอะไรเข้าไปอุดเข้าไปเนี่รักษาให้มันสะอาดก็พอแล้วอีนี้ขวันก็อนิจจังอนัตตาหน้าที่ของมันมีหน้าที่อะไรบดอาหารมันสะอาดที่ไหนมีหน้าที่บดอาหาร เหมือนกับเครื่องบอดอย่างนั้นมันก็มีหน้าที่บอดอาหารบดบดบดบดบดไม่แลกกลืนเข้าไปอา้าวหน้าที่ของกระเพาะต่อไปเนี่ยฟันมันก็ไม่สวยไม่งามอะไรที่ไหนเลยแต่เราคิดว่าสวยเนี่ยคิดว่าสวยคิดว่างามต้องไปดัดฟันต้องไปอะไรเนี่ยมันมีหลายเรื่องอย่างในประเทศญี่ปุ่นเนี่ย เขาดัดฟันแล้วก็ยังไม่พอก็ยังอะไรก็ใส่อะไรก็ไปอีกก็ไม่รู้ก็ทําเป็นสีเป็นสันขึ้นมาที่สุดแล้วเราก็จะหลอกยังไงเชื่อหมดนี่เชื่อหมดเพราะคนขาดปัญญานี่มันขาดปัญญามันก็เลยทําอะไรได้หมดทีนี้เราเอาผมมาพิจรารณาเอาเล็บเอาฟันามาพิจรารณาผมขนเล็บฟัน ที่น um, ี mm. ่ไอ้ท uh ี่ห้าก็คือหนังหนังหนังไม่ใช่หนังในจอโทรทัศน์ไม่ใช่หนังในโรงหนังหนังนี้แหละหนังที่มันหุ้มเนื้อนี่แหละนี่ท่านให้พิจารณาพิจารณาหนังก็เป็นอนิจจังเป็นนาฏตานี่เมื่อคืนก็พูดแล้วเรื่องของหนังอ่ะไม่ต้องไปดูหลงหนังที่โรงด้วยหนังที่หน้าจอโทรทัศน์น่ะดูหนังตรงนี้หละหนังที่ข้อมือก็ได้ที่ข้อเท้าก็ได้หนังที่เนื้อที่ตัวนี้ก็ได้ ดูหนังว่ามันเป็นยังไงเด็กๆหนังนี่เป็นยังไงโตขึ้นมาหนังนี่เป็นยังไงพอเลยหนุ่มสาวไปแล้วหนังนี่มันเป็นยังไงพอแก่แล้วหนังนี่มันเป็นยังไงนี่เสร็จแล้วก็อยากแก่สวยอยากจะสวยอยากให้หนังมันตึงมันเต่งเป็นยังไงทีนี้ก็เอาอะไรเข้าไปอุดที่หน้าอกนั่นให้หนังมันตึงขึ้นมาจะได้โง่กันต่อไปอีกเสร็จแล้วก็ไม่พออีก ที่หน้าที่ตาก็เต็มเซนก็ใส่เข้าไปชีดเข้าไปชีดเข้าไปชีด้มันตึงให้มันตึงให้มันตึ ง, น, ตงนี่แหละมันตัวกูทางนั้นเลยไม่เห็นดีนี้ไม่เห็นอนิจจังจะเห็นได้ยังไงก็ปัญญาไม่มีปัญญาจะมีได้ยังไงก็ไม่ปฏิบัติตามอริยมรักไม่องแผ่ข้อที่หน่งก็ ข, ขึ้นต้นเห็น ไ, ไหมสาคัญมากขึ้นต้นด้วยคาว่าสัมมาทิฏฐิ มีความเห็นอันถูกต้องนี่ปัญญาแล้วปัญญาแล้วมีความเห็นอันถูกต้องทีนี้เห็นยังไงเห็นกับตามันถูกต้องยังไงมันต้องเห็นกับปัญญานี่ต้องเห็นกับปัญญาถ้า น, นี้ไม่มีปัญญาเลยมันเห็นไม่ได้หรอกอ๋อทีนี้วันนี้อ่าก็นี่แหละเรื่องว่าเราแยกกันแยกกันระหว่างสมาธิกับปัญญานี่ หรือ่าสมาธิกับวิปัสสนานี่ยพอเราทำสมาธิยกจิตพอจิตเป็นสมาธิพอสมควรแล้วยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนายกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาก็คือเอามาพิจารณาพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาฝันพิจารณาเนื้อหนังเส็จแล้วไม่ใช่อยู่แค่นั้นถ้าเรารู้แค่นี้สักอย่างหนึ่ง รู้หมดแล้ต่อไปก็พิจารณาอย่างอื่นพิจารณาอย่างอื่นสิ่งที่เราเห็นนั่นแหละสิ่งที่เราเห็นเดี่ยเราเรียกว่ารูปนั่นแหละพิจารณารูปนั่นแหละสิ่งที่เราเห็นเราก็พิจารณาพิจารณาพิจารณาเห็นว่าอนิจจังอนิจจังอนิจจังมันไม่เที่ยงมันไม่คงที่มันไม่ตาวนมันไม่อามตะเดี่ยวมันไม่อามตะมันไม่ตาวนมันเปลี่ยนแปลง ไหลเรื่อยไหลเรื่อยไหลเรื่อยไหลเรื่อยสิ่งทั้งปวงไหลเร <itto. S 1> ื bon have, ่อยไหลเรื News, ่อยสิ่งทั้งปวงนั่นแหละคืออนิจจังถ้าเห็นว่ามันไหลนี่มันไหลยังไงสิ่งนี้ไหลยังไงสิ่งนี้ไหลยังไงสิ่งนี้ไหลยังไงมันไหลเหมือนกับว่าน้ําไหลอย่างนั้นเหมือนกับน้ําน้ําในคลองในแม่น้ำน่ะมันไหลยังไงมันก็ไหลอย่างนั้นทีนี้น้ําเองมันก็ไหลน้ําเองก็ไหล เราเอาน้ำมาใส่แก้วไวท้ที่มันก็ไหลคือมันละเหยนั่นจะว่าน้ำไหลนี่ถ้าน้ำ ม, มันไม่ไหลเรากินน้ำก็ไปถ้าน้ำ ม, มันไม่ไหลเดือดร้อนนี่ยทีนี้แตน้ำ ม, มันไม่ไหลนี่อนิจจังตอนที่กินที่ดื่มก็ไปเรารู้สึกว่าน้ำจะเป็นน้ำหวานจะเป็นน้ำชากาเฟเป็นอะไรก็อ้าวพออกมาแต่ถ้ามันไม่ออกถ้ามันไม่ออก มันเป็นนิจจังที่ถ้ามันไม่ออกมันเที่ยงที่พอข่าไปแล้วก็ไปตั้งเคร่งอยู่ไปตั้งอยู่ตรงนโน้นไปอยู่ในกระเพาะไม่ยอมออกไม่ยอมออกอาหารใส่เข้าไปก็ไปอยู่ในกระเพาะไม่ยอมออกน้ําก็ใส่เข้าไปแล้วไปอยู่ในกระเพาะปัสสาวะไม่ยอมออกได้เรื่องทีนี้ได้เรื่องได้เรื่องนั่นแหละคือนิจจังนิจจังนั่นแหละคือนิจจังพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสว่าถ้าหากว่าคนมีขัน มีคันแล้วไม่คลอดนิจจังนั่นแหละคือนิจจังไม่คลอดอยู่ได้ยังไงดีเนี่ยนั่นมันไม่คลอดเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นอนิจจังต้องเป็นอนิจจังนีเ่เราพิจารณาครั้งแรกต้องผ่านอานิจจังไปก่อนเริ่มต้นบันดอดขั้นแรกอนิจจังอนิจจังทนี เห็นว่าทุกอย่างไหลเรื่อยไหลเรื่อยไหลเรื่อยไหลเรื่อ ย, อ ย, อยผมขนเล็บขนหนังเลื้ออินกระดูกทุกสิ่งทุกอย่างไหลเรื่อยยอดหญ้ายอดบอนใบโกศลอะไรพวกนี้ไหลเรื่อยไหลเรื่อยไหลเรื่อยไม่มีอะไรหยุดอยู่กับที่เลยทำไมไม่เห็นขาดปัญญาไม่เห็นเนี่ยมันไม่เห็นขาดปัญญาทีนี้เรายกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาก็คือยกขึ้นสู่ปัญญา ให้ปัญญานั้นได้เห็นเห็นอนิจจังว่าโอ้อันนี้มันอนิจจังมันอนิจจังมันอนิจจังเสร็จแล้วเป็นยังไงถ้ามันไม่เห็นมันก็เป็นนิจจังอย่างเดียวอะไรก็เหมือนเดิมหมดเหมือนเดิมหมดแต่มันไม่เหมือนเดิมนีทีนี้เป็นยังไงมันก็สุขขังสุขขังเห็นว่าเป็นสุขเป็นสุขเป็นสุขเห็นว่าเป็นสุขมันเป็นสุขได้ยังไงมันคงที่ไม่ได้ตามที่จริงมันเป็นทุกข์ไม่ใช่มันเป็นสุข แล้วก็ข้าไปยึดมันถือมันยึดมันถือมันยึดมั่นถือมันม น, ม น, นั่นเด็กว่าทุกขังต้องเห็นอนิจจังต้องเห็นทุกขังเห็นทุกขังเราผู้ที่มีรถนะรถที่ซื้อมาใหม่ๆเนะี่ยเขาก็รักมันมากเพราะว่ามันยังใหม่อยู่อะไรอยู่ต้องเช็ดต้องถูต้องอะไรเสร็จ แ, แล้วมันค่อย เก่าไปอะไรไปเครื่องยนต์ก็ไม่ดีอะไรก็ไม่ดีเปลี่ยนเปลี่นเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วเรายึดมั่นถือมันเราต้องเอาคันใหม่แล้วเราเอาไม่ได้แล้วต้องคันใหม่แล้วนี่เดี๋ยวก็คันใหม่เราเอาคันใหม่ก็เป็นยังไก็เป็นอย่างนั้นแหละอีกกันอย่างนั้นอีกทีนี้ชายมันเหมาะสมเหมาะสมคือทุกอย่างแม้แต่เสื้อผ้าของเรา era, เนี่ยมันก็เป็นนานทจังเราข้าไปยึดถือว่าเสื้อตัวนี้เราชอบ ใส่มันทุกครั้งเลยไปไหนก็ใส่มันทุกครั้งเลยแต่เสร็จแล้วเราเข้าไปยึดมั่นถือมั่นมั น, มนเอามันเกิดขาดขึ้นมาทำยังไงทีนี้ไม่เอาแล้วพอขาดนี่คือไอ้ที่สิ่งไหนที่เราเข้าไปยึดมั่นถือมัน่นสิ่งนั้นคือทุกขังทางนั้นเลยความสุขที่เกิดทางตาความสุขที่เกิดทางหูทางจมูกลิ้นกายใจนะมันจอมปลอมทางนั้นไม่ใช่ความสุขจริง จอมปรอมทางนั้นอย่ากล้าไปยึดมัน่นถือมั่นมันทีนี้ประการที่สามทุกอย่างเราเห็นเป็นอัตตาเห็นตัวเองนี่เป็นอัตตาเป็นอัตตายังไงตอนเล็กๆคลอดออกมาก่อนที่จะคลอดนั่นก็เป็นสัตว์เซนเดียวสองเซนออกไปออกไปจนเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาเป็นเด็ดทารกแล้วก็คลอดออกมาก็อคลอดออกมาก็โตขึ้นโตขึ้นแล้วมาหายไปไหน เด็กเล็กนะมันหายไปไหนตอนนี้เราเป็นผู้ใหญ่กันหมดแล้วไอตอนที่เล็กอ่ะอายุกว่าสองขวบมันหายไปไหนอายุสิบขวบมันหายไปไหนเป็นวัยรุ่นเนมันหายไปไหนนี่เลยอนิจจังทางนั้นอนิจจังมันอนิจจังไม่คงที่ข้าไปยึดมัน่นถือมันไม่ได้มันทุกขังเพราะว่าสิ่งทั้งอวงสิ่งทั้งพวงสิ่งทั้งพ ว, วงก็หมายถึงว่าทั้งหมดเป็นอนัตตา ไม่ใช่มันเป็นอัตตามันเป็นอนัตตาเป็นอนัตตาใครมีรูปถ่ายตอนที่หนุ่มๆแน่นๆอยู่เอามาดูได้ว่าโอ้นี่ดูเดี๋ยวนี้กับดูตอนที่ยังหนุ่มยังแน่นเป็นคนละเรื่องกันเลยนั่นจะได้เห็นจะเห็นนี่อนัตตาอนัตตาอนัตตาอนัตตามันเป็นอย่างนี้อนัตตามันเป็นอย่างนี้ทุกอย่างเป็นอนัตตาหมดเป็นอนิจจงหมดเป็นทุกขังเมื่อเข้าไปยึดมั่นถือมั่นหมด เป็นอนัตตาหมดมันเป็นอนัตตาหมดนั่นแหละ ย, ยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาทีนี้พอเห็นว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเอ๊ะมันไม่มีตัวตนนี่อนัตตามันไม่ใช่ตัวตนพอไม่ใช่ตัวตนนี่คนที่ศึกษาคนที่ปฏิบัติพุทธายถูกแล้วพอถึงอนัตตามันก็ไปสุญญตาก็แสดงว่ามันว่างจากตัวตนนี่มันว่างจากตัวตน พอเริ่มเห็นว่างจากตัวตนแล้วปัญญาเกิดแล้วตอนนี้สัมมาทิฏฐิเกิดแล้วเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาเห็นสุญญตาเห็นสุญญตาเกิดแล้วเกิดแล้วนี่เกิดแล้วเกิดแล้วปัญญาเกิดแล้วพปัญญาเกิดรากฏจะเห็นอริยสัจส่ตอนแรกเลยเห็นอริยสัจสี่ทีนี้เห็นสัจสก็คือเห็นทุกเห็นเหตุได้เกิดทุกเห็นความดับทุกเห็น ผลทางให้ถึงความดับทุกข์อันนี้ก่อนที่จะเห็นทุกขนะ์น่ะก่อนที่จะเห็นทุกข์สมุทยัยนีโรถมักนั่นแหละนี่ก็ว่ากันโดยละเอียดแล้วเนี่ยเมื่อคืนนี่มันต้องเกิดดวงตาขึ้นมาก่อนเกิดดวงตาภายในที่ว่าจักปวงตะปาธิไปท่องให้จําเถอะถ้าไม่จําให้มันตายเถิดดีกว่าถ้ามันตายเถิดบอกว่าถ้ากูไม่จําน่ยตายเถิดดีกว่าอยู่ไปทำเมย์เนี่ยต้องให้จํา ไม่จำมันไม่เกินความสามารถจากกุณฑาปาทิตาภายในยคือตาปัญญาญาณุตาปาทิตัวรู้ตัวรู้รเกิดญาณญาณขึ้นมาปัญญาอุตาปาทิเกิดปัญญานี่สมสธ า, า, าธิทิวิชาอุตาปาทิเกิดปัญญาเกิดวิชาขึ้นมาเกิดสติปัญญาขึ้นมาอาโรโกตาปาทิเกิดพลังจิตพลังปัญญาขึ้นมา ว่าพลังแห่งแสงสว่างเหมือนกับว่าเขาเอาแสงนี่แหละแสงนี่ไปตัดเอาเอ า, เอาไปตัดอะไรแสงควายนี่แหละเอาไปตัดเหล็กไปตัดนั้นไปตัดนี้นี่มันเกิดพลังขึ้นมาเกิดพลังขึ้นมานี่แหละคือตัวนิโรธตัวนิโรธที่จะเอาไปดับที่จะเอาไปดับทีนี้เราขั้นแรกอาจจะดับที่นิโรธนั้น ดับที่ตัวสมุทัยนั้นยังไม่ได้ยังไม่ได้เพียงแต่นิดนิดหน่อยหน่อยเพียงฟังไปให้เข้าใจนิดหน่อยให้อวิชนามันดับทีเดียวมันดับไม่ได้เพราะว่าพลังมันยังไม่พอเมื่อพลังมันยังไม่พอเอาครึ่งทอนทีนี้เอาปฏิจจธรรมุปบาสครึ่งทอนหนึ่งสัมมาทิฏฐิเห็นอริยสัจสี่สองเห็นกันหน้านี่นี่ เครื่องทอนแล้วเครื่องทอนแล้วเนี่ยมันไม่เช้าเห็นอริยสัจสี่ขันหปฏิจจารบาทก็ไม่ใช่เห็นแต่ละตนแต่ละตนแต่ละตนหนึ่งเห็นอริยสัจส4่องเห็นขันห3เห็นรวมหมดตั้งแต่อวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปเห็นรวมหมดเอาทีนี้มันจะง่ายกว่าถ้าเราไปจับที่ขันหมันจะง่ายกว่าขันหก็เริ่มต้นจากนามรูป นามารูปอีนนี้นามารูปมันก็ถอนเรียกว่าขยายออกไปขยายออกไปเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปก็คือสิ่งทั้งหมดตัวเรานี้ก็คือรูปสิ่งที่ตาเห็นทั้งหมดรูปทั้งนั้นเลยรูปทั้งนั้นเลยทีนี้รูปนี่รูปตัวเรารูปในอดีตก็ดีมันเป็นยังไง รูปในอดีตเนี่ยมันเป็นยังไงรูปที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็ดีรูปในปัจจุบันก็ดีนี่นี่เรียกว่ารูปรูปฉะนั้นรูปเนี่ยกองแห่งรูปก็เรียกว่ากองแห่งรูปทีนี้ไอ้สิ่งที่ตาเห็นก็อะไรเห็นน่ะร่างกายของเราใครเห็นก็ตานี่แหละต้องเห็น ตาเห็นรูปเราเห็นคนอื่นเห็นสัตว์อื่นเห็นต้นไม้เห็นภูเขาเห็นนั่นเห็นนี้รูปทั้งนั้นเลยนั่นคือรูปทั้งนั้นเลยดังนั้นรูปอดีก็ดีรูปในอนาคตก็ดีรูปในปัจจุบันก็ดีรูปในที่ไกลก็ดีรูปในที่ใกล้ก็ดีรูปหยาบก็ดีรูปละเอียดก็ดีรูปทั้งนั้นรูปทั้งนั้นทีนี้เวทนาล่ะเวทนาเวทนาคือความพอใจ ความพอใจเรียกว่าสุขเวทนาความไม่พอใจเรียกว่าทุกเวทนาทุกกรรมจุขเวทนาคือพอใจก็ไม่ใช่ไม่พอใจก็ไม่ใช่นี่เรียกว่าเวทนาเวทนาในอดีตก็ดีเวทนาในอนาคตก็ดีเวทนาในปัจจุบันก็ดีเวทนาที่เกิดทางตากดีทางหูกดีทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็ดีนั่นเรียกว่าเวทนาหมดเรียกว่าเวทนาหมดสัญญาความจํา ความมั่นหมายความจำความมั่นหมายจำอะไรจำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจาสัมผัสจำอารมณ์ต่างๆโอมัคิดเอมันึกจำทางนั้นคนนั้นมีหน้าตาอย่างนั้นคนนี้มีหน้าตาอย่างนี้สิ่งนี้อันนั้นอันโน้ความจำในอดีตก็ดีความจำในอนาคตก็ดีความจำในปัจจุบันก็ดีเรียกวดสังขารเรียกว่าสัญญาหมดเรียกวสัญญาหมดคือความจา รูปเวทนาสัญญาพอไปที่หลังก็สังขารสังขารแปลว่าปรุงแต่งปรุงแต่งปรุงแต่งสังขารภายนอกก็ปรุงแต่งสังขารภายในก็ปรุงแต่งสังขารภายนอกเราจะสร้างอาคารนี้ขึ้นมาจากหลังหนึ่งต้องปรุงแต่งปรุงแต่งตั้งแต่ภายในมานู่นปรุงแต่งต้องใช้เหล็กต้องใช้หินต้องใช้ปูนต้องใช้ทราย ต้องใช้อะไรหลายๆอย่างมันปรุงแต่งปรุงแต่งปรุงแต่งปรุงแต่งจนกระทั่งจะเป็นอาคารหลังนี้ขึ้นมาต้องปรุงแต่งแต่ปรุงแต่งมาจากภายในแล้วออกมาทางกายออกมาทางวาจาออกมาทางใจออกมาทางวาจาออกมาทางกายคือการกระทำแล้วน <ibly> ี่ปร mm ุงแต่งปรุงแต่งปรุงแต่งปรุงแต่งนี่เรียกว่าสังขารทีนี้สังขารภายใน สังขารไปในะก็ปรุงแต่งพอนั่งสมาธิได้นิดเดียวโอ้มาแถวบ้านไม่รู้อยู่ยังไงแล้วตอนนี้การงานก็เป็นยังไงก็ไม่รู้เป็นห่วงนั่นเป็นห่วงนี่เป็นห่วงโน่นนั่งปรุงแต่งสามาธิเลยไม่เกิดเลยทีนี้บอกว่าบอกว่ายังไงนะภาวนาไม่ใช่กูไม่ใช่กูนั่นมันกูแล้วเลยอย่างนั้นนะกูแล้วแต่กูมันเกิดแล้วแล้วเพราะกูมันเกิดมันก็ปรุงแต่งปรุงแต่งปรุงแต่ง ดัดหลังมาเลยทีนี้ดัดหลังกูดัดหลังว่ายังไงกูไม่เอาบอกว่ากูไม่เอากูไม่เอาก็คือไม่ปรุงแต่งก็ภาวนาใหม่ทีนี้เอาองค์ภาวนาใหม่ไอ้ไม่ใจกูนี่มันไม่อยู่แล้วไม่อยู่บอกว่าไม่เอาอะไรไม่เอาอะไรไม่เอาอะไรหายใจเข้าไม่เอาอะไรหายใจออกไม่เอาอะไรอย่าให้มันปรุงแต่งก็อยาให้มันปรุงแต่งนี่เราต้องรู้ทันมัน รู้ทันมันทางนั้นเลยนี่เร e, e. ok, ียกว่าสังขารภายในสังขารภายนอกมันมีภายในภายนอกอยู่ทางนั้นที่นี่วิญญาณวิญญาณนี่คือ ū, <im itation> ตัวรู้ตัวรู้วิญญาณนี่คือตัวรู้ตัวอวิชชาสังข e, ารวิญญาณวิญญาณคือตัวรู้อวิชชามันมืดมันบอดที่มันทําให้เกิดทุกข์นะเพราะมันมืดมันบอด เพราะมันกินราคะเข้าไปมันกินโทสะเข้าไปมันก <camping S 1> <anos perfect. S 2> er ินโมหะเข้าไปเป็นอาหารพอมันกินราคะโทสะโมหะเข้าไปกินเป็นอาหารแล้วมันก็เลยถ่ายออกตายออกคือพอมันกินเข้าไปแล้วมันตัวกูนะมันเกิดตัวกูมันเกิดตัวกูเป็นจิตกูขึ้นมาพอจิตกูขึ้นมาจิตนั้นก็ได้อาหารคือราคะโทสะโมหะเป็นกูเต็มตัว ก็เป็นกูเต็มตัวขึ้นมาก็คลอดออกไปทีนี้คลอดลูกออกคลอดลูกเป็นอะไรสังขารสังการก็การกระทํา ก, ก็กูกูทําพู ด, ดก็กูพูดคิดก็กูกูคิดนี่มันคลอดเพราะมันกินไอ้ความเห็นแก่ตัวนั้นเข้าไปมันเลยเคลอดออกมาเป็นกูคิดกูทํากูพูดกูคิดกูทํากูพูดไอ้ น, นี้พอไปวิญญาณ วิญญากูรู้นี่มันก็กูรู้กูรู้รู้กูรู้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกูรู้กูรู้ทางตากูรู้ทางหูกูรู้ทางจมูกกูรู้ทางลิ้นกูรู้ทางกายกูรู้ทางใจนี่มันกูหมดทีนี้เป็นยังไงไอตัวนามรูปตัวนามรูปเราปฏิบัติที่นามรูปก็ดูนามรูป ถ้าใครที่ยังไม่ถึงอวิชชาดูที่นามรู้ดูรู้ทีนี้รูปเวทนาสัญญาดังการวิญญาณวิญญาณนี่คือตัวรู้วิญญาณนี่คือตัวรู้รู้ทางตารู้ทางหูรู้ทางจมูกรู้ทางลิ้นรู้ทางกายรู้ทางใจมันรู้หมดรู้หมดสารพักรู้ ไปศึกษามาเป็นด็อกเตอร์เป็นรองศาสตราจารย์เป็นศาสตราจารย์กูรู้หมดกูรู้หมดแต่ว่ารู้ภายนอกดังนั้นเลยรู้ภายนอกทีนี้ไอ้วิญญาณตัวนี้มันรู้เพื่อนมันไม่รู้ตัวมันเองมันรู้แล้วมันก็ข้าไปยึดถีอุ้ยกูนี่มันเก่งนี่ทำไมต้องเอาไว้ท้ายสุดอะวิญญาณที่นำมารูปรูปเวทนาสัญญาจังการวิญญาณ ไอ้ตัวข้างหน้ารูปแถวมันหมดเป็นรูกแถวมันหม ด, เ, มหมดเอ้าต้องกูต้องกู้กหมดรู ก, กรูป ก, กู้เวทนาก็ต้องกู้สัญญาก็ต้องกูสังขารก็ต้องกู้เพราะวิญญาณมันตัวกูกูรู้ดันั้นมันต้องกูหมดใครออกนอกแถวไม่ได้เลยต้องยึดถือยึดถือรูปูปาทานักขันโท ขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปมันต้องกูกูทั้งนั้นกูรู้และกูเข้าไปยึดมั่นถือมั่นรูปเข้าไปยึดมั่นเวทนาเข้าไปยึดมั่นสัญญาเข้าไปยึดมั่นถือมั่นสังขารนี่ตัวมันเองยึดมั่นอย่างหนักแน่ยึดมั่นมาตั้งแต่ตัววิญญาณที่ถัดมาจากสังขารโน่นทีนี้มันก็ขยายออกมามาอยู่ที่นามรูปก็คือกู กูท้งนั้นอวิชาคือตัวกูสังขานก็คือกูวิญญาณก็คือกูนามรูปผ่านไม่พ้นกูทีนี้เราจะปฏิบัติตั้งต้นที่นามรูปก็ได้ตั้งต้นปฏิจจสมุปบาทครึ่งทอดแล้วไอ้ที่เหลือนะทำยังไงที่เหลือก่อยทีหลังก็อยกระเทบขึ้นข้างบนเอาขึ้นข้างบนเอาตรงนี้ก่อ น, นเอาที่ตรงนี้ก่อน เอาทีนี้เรามาดูวิญญาณวิญญาณแปลว่ารู้แปลว่ารู้ทีนี้ต้องโน้ต้องท้าความไปที่หลวงพ่อพูดมาว่าก่อนที่จะมีโลกก่อนที่จะมีจักรวาลก่อนที่จะมีดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวเนี่ยเริ่มต้นจากธาตุก่อนมีหกธาตุมีสามธาตุมีสี่ธาตุมีหกธาตุมีสิบสองธาตุมีสบหธาต แต่เราเอาทกธาตุธาตุดินธาตุน้ำธาตุไยธาตุลมอากาศสธาตุแล้วก็ธาตุสุดท้ายคือวิญญาณธาตุวิญญาณธาตุคือธาตุรู้คือธาตุรู้วิญญาณธาตุเอาทีนี้เมื่อคืนก็พูดพูดว่าที่มี คนไปขอบวชกับพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะศึกษาเรื่องนี้แล้วก็มีอาจารย์ต่างสำนักต่างๆสำนักโน้นก็บอกว่ า, าตายแล้วกเกิดสำนักนี้ก็บอกว่ า, าตายแล้วก็ศูญแล้วของท่านว่ายอย่างไงของท่านว่ายอย่างไรพระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่มีคนไม่มีคนไม่มีคนไม่มีค น, นก็คือว่างนั่นเองก็คือว่างจากตัวตน ให้ว่างตัดตัวตนจะทําได้ยังไงก็เลยบอกว่านี่แหละก่อนที่จะมีธาตุอะไรขึ้นมาถ้ารู้นะมันเกิดขึ้นมาก่อนถ้ารู้คือความสงบรู้อะไรรู้ที่ประกอบไปด้วยความสงบเย็นก่อนที่จะมีอะไรต่างๆขึ้นมามันมีความสงบเย็นอยู่ก่อนความสงบเย็นนั้นเรียก ว, ว่าธารู้แต่ว่ายังไม่เต็มที่เพียงแค่ไอ้รู้เอาไว้ก่อน เหมือนกับว่าไอ้มเมล็ดถั่วมเมล็ดง า, มาเมล็ดข้าวเปลือกไว้เป็นพันก่อนก็ออกมาพัฒนาทีนี้ก็ออกมาพัฒนาจากวิญญาณธาตุจากวิญญาณธาตุก็เป็นวิญญาณในไหนทีเนี้ยวิญญาณในในอรูปฌานาก็พูดแล้วก็คือวิญญาณในอรูปฌานวิญญาณในรูปฌานก็คือวิญญาณนันจายตนะ วิญญาณัญจายตนะจากวิญญาณัญจายตนะก็ยกวิญญาณตัวนั้นขึ้นรู้วิปัสสนาให้มันรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมายกตัวรู้ขึ้นมาตัวรู้นั้นน่ยมันรู้ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นจนเกิดปัญญาเกิดปัญญาภายในขึ้นมาก็เรียกว่าจักกุอุตปาฏิยาอุตปาฏิปัญญาตปาฏิปัญญาทางนั้นเลยนั่ น, นปัญญาที่พัฒนาพัฒนาพัฒนาเพราะฉะนั้นวิญญาณธาตุ ต้องพัฒนามาเรื่อยๆเรื่อยๆรืยๆพัฒนามาพัฒนามาจนเป็นวิญญาณที่รู้แจ้งที่รู้แจ้งขึ้นมาทีนี้เรามาจับเอาครึ่งท่อนเรามาจับครึ่งท่อนคือปฏิจจธรรมุกประบาทครึ่งท่อนครึ่งท่อนวิญญาณมันอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังไอ้วิญญาณนี่มันคล้าไปยึดถือยึดถือใครยึดถือตัวมันเองยึดถือตัวมันเองเนี่ยมันก็ ยึดถือให้ลูกน้องยึดถือด้วยว่ารูปก็มีตัวตนเวทนาก็มีตัวตนสัญญามีตัวตนสังขารมีตัวตนวิญญาณมีตัวตนเพราะวิญญาณตัวนั้นยังไม่ได้พัฒนาทีนี้เมื่อเราปฏิบัติสมาธาิหือสมาธิแล้วก็ปฏิบัติวิปัสนาพอปฏิบัติป ฏ, ปฏวิปัสนายกขึ้นถึงวิปัสนาการู้อนิจจัง รู้ทุกขังรู้อนัตตารู้อนัตตาก็รู้สุญญาตารู้ว่างรู้ว่างรู้ว่างจากตัวตนเจเมาถึงวิญญาณตัวนี้วิญญาณตัวนี้ก็พิจารณาพิจารณาที่พระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสน่ยรูปอูป า, านักขันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปใครที่กล่าวยึดมันม่นถือมั่นนะใครนะใคร ที่ข้าไปยึดมันถือมันเอารูปเป็นกูเวทนาเป็นกูสัญญาเป็นกูสังขารเป็นกูวิญญาณเป็นกูอุปาทานน่ะแปลว่ายึดมั่นถือมันใครข้าไปยึดมันถือมั่นก็ตัวอวิชชานั่นแหละมันข้าไปยึดมั่นถือมั่มันแอบแฝงอยู่มันแอบแฝงอยู่ในทุกตัวแต่ตอนนี้มันแอบแฝงอยู่ที่ตัววิญญาณฉะนั้นวิญญาณนี่ตัวรู้ก็เลยเป็นกูรู้ เป็นกูรู้ทำยังไงเราปฏิบัติเนีที่มันกูรู้นะ่ยมันก็เลยข้าไปยึดมั่นถือมั่นหมดกูรู้นี่รูปเป็นกูเวทนาเป็นกูสัญญาเป็นกูสังขารเป็นกูตัววิญญาณเองเป็นกูตัวรู้นั่นเป็นกูก็เลยสอนกันไห้รู้รู้ ร, ร, ร, ร, รู้สอนให้รู้อย่างนั้นสอนให้รู้ใครรู้กูรู้นี่สอนว่ากูรู้จากนั้นมันผิดแล้วที่ตรงนี้มันถูนั่นแหละถูกของอวิชชา แต่ไม่ถูกของวิชาเมื่อไม่ถูกของวิชาเราต้องการวิชาเราต้องการปัญญาเราต้องการที่จะดับทุกข์เพราะฉะนั้นวิญญาณตัวนี้ต้องมองเข้าไปข้างในทีนี้พราะเราฝึกวิปัสสนาแล้วตอนนี้เราฝึกวิปัสสนากันแล้วมองเข้าไปข้างในมองเข้าไปข้างในโอ้รูปพระพุทธเจ้าเห็นไหมตอนขั้งแรกจุดเลยที่พระองค์ แะแดงทำรรมจา ก, กระเวัฒนสูตรนะกับปิตรูปัญจวคนะีรูปเที่ยงไม่เที่ยงรูปเที่ยงไม่เที่ยงให้้หปัญจวคีแต่ละองค์แต่ละองค์ไม่ได้พูดทีเดียวพร้อมกันนะบางทีก็พร้อมกันบางทีก็ไม่พร้อมกันบางครั้งก็รูปหนึ่งไปบินทบาดสองรูปไปบินตบาดเสียเอามาเลี้ยงรูปที่ไม่ได้ไปบินตาบาด พระองค์ติวเข้มเลยตอนนั้นติวเข้มติวเข้มมากติวเข้มมากอ้นี้ก็ตามรูปังอนิจจังรูปเที่ยงไม่เที่ยงรูปเที่ยงไม่เที่ยงเอาบอกเธอคิดดูก่อนคิดดูก่อนเดี๋ยวค่อยตอบเดี๋ยวค่อยตอบทางอาโองนั่นแหละรูปเที่ยงไม่เที่ยงคิดดูก่อนไอโองก็ตอบว่าไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะรูปเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตา อัตตาก็คือต so. no. ัวกูอนัตตาไม่ใช่ตัวกูรูปเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาเอาคิดก่อนคิดก่อนไม่ต้องตอบเร็วเร็วทำอะไรเร็วเร็วนี่มันไม่เรียบร้อยดอกมันต้องอะไเรียบร้อยต้องอะไมันถูกต้องรูปเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาเอาคิดก่อนคิดก่อนคิดก่อนคิดก่อนดูก่อนดูก่อนตอบกันอีกรูปเป็นอนิจตาพระเจ้าค่ะนี่เห็นไหมพระองค์ถามตอบถามตอบถามตอบกันอยู่อย่างนั้น เวทนามองไปเวทนาอีกก็ถามตอบถามตอบกันอย่างนั้นเน่ยฉัญยาสังขานวิญญาณถามตอบถามตอบกันไปอย่างนั้นรูปเกิดดับว่างจากตัวตนเกิดดับว่างจากตัวตนนี่ทีนี้รูปไอ้ที่เกิดทางเนื้อทางหนังน ipe, เกิดมาทางเนื้อทางหนังนเกิดมาจากท้องแม่เนะี่ยมันนั้นรูปทางวัตถุรูปมันทางวัตถุแค่รูปทีนี้รูป ไอความรู้สึกที่มันเกิดความรู้สึกที่มันเข้าไปยึดมั่นถือมั่นแล้วมันเกิดความรู้สึกกันว่าตัวกูนั่นนั่นมันเกิดเกิดเกิดทุกทีแหละตัวกูทุกทีเกิดทุกทีเกิดตัวกูขึ้นมาทุกทีเกิดทุกทีไอนี่รูปเนี่มันมีหนุ่มสาวมันมีแก่มันมีเจ็บมันมีตายแต่เสร็จแล้วพอเห็นการเกิดความรู้สึกทางจิตเอ้ามันไม่ใช่กูนี่ มันไม่ใช่กูนี่เพราะบางังคับมันไม่ได้ไม่ให่แก่ก็บังคับไม่ได้ไม่ให้หนุ่มไม่ใช่สาวก็บังคับมันไม่ได้บังคับอะไรไม่ได้สักอย่างบังคับแต่ละอย่างแต่ละอย่างไปบังคับไม่ได้ทั้งนั้นเลยว่าบังคับมันไม่ได้เป็นยังไงทีนี้เพราะว่าตัวไหนตัวความรู้สึกว่ากูว่าตัวความรู้สึกว่ากูหนุ่มสาวก็กูหนุ่มกูเป็นกู พอกูสาวขึ้นมาร่างกายสาวขึ้นมาก็เป็นกูพอแก่ขึ้นมาก็กูแก่พอเจ็บขึ้นมาก็กูเจ็บพอตายขึ้นมาก็กูตายกูหมดกูหมดอันี่ตัดตัดวงจรตัดวงจรที่ตัวนั้นเน่ยที่กูนั่นแหละพอความรู้สึกว่ากูขึ้นมานี่ต้องให้เข้มแข็งแล้วบอกว่าไม่ใช่กูไหนกูมันอยู่ตรงไหนลองแยกออกดิแยกออกดิที่เนื้อที่หนังที่ตัวเนี่ยแยกออกดิ ไม่มีกูเลยหาไม่พบให้รู้กูอยู่ที่ตรงไหนอากูไม่พบเลยเพราะฉะนั้นต้องตัดที่ตัวความรู้สึกตัวนั้นว่าไม่ใช่กูถ้าตัดตัวความรู้สึกนั้นเสียได้ความแก่ก็โดนตัดความเจ็บก็โดนตัดความตายก็โดนตัดความทุกข์ก็โดนตัดเห็นไหมมันจะโดนตัดทันทีเลยนี่รูปังานิ จ, จัง รูปไม่เที่ยงรูปเกิดดับว่างจากตัวตนเอาแล้วเวทนาอีกความจุกกเวทนาเกิดดับไหมเกิดดับทุกวเวทานาเกิดดับไหมเกิดดับอาทุกรรมาจุกเวทานาเกิดดับไ้ยเกิดดับเอามันเกิดดับทางนั้นก็เกิดดับทางนั้นก็แสดงว่ามันเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาอีกมันเกิดดับเป็นอนิจจังเป็นอนัตตา มันก็เป็นสุญญตาว่างจากตัวตนอีกรูปก็ว่างเวทนาก็ว่างอ้างสัญญาสัญญาเกิดดับไหยเกิดดับอีกสัญญาเกิดดับอีกบางที่ก็จําได้มั่งจําไม่ได้มั่งนี่เราเนี้ยพูดพูดพูดไปว่าจะเอาเรื่องไอ้นั้นมาพูดเอ้ามันจําไม่ได้แล้วมันจําได้จําดีอยพอมาตรงนี้มันจำไม่ได้แคไม่ได้ก็อยาเอามันก็เจ้างัวมันนี่สัญญาเห็นไหมสัญญา เพรนั้นสัญญามันก็ไม่เที่ยงสัญญาก็เป็นอนิจจังก็คือไม่เที่ยงเป็นอนัตตามันก็ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวตนรูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขานไม่ใช่ตัวตนเพราะมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับเอ็นี้ไอ้ตัววิญญาณเมื่อก่อนมันเห็นว่ากูหมดเพราะกูมันต้องเก่งเพราะกูรู้นี่ กูรู้ไอ้พวกแกที่เป็นลูกน้องนี่ต้องพูดว่าตัวกูหมดทีนี้เป็นยังไงพอโดนตามวิปัสสนาข้าวเห็นอนิจจังเห็อนอนัตตาข้าเห็อนอะไรข้าก็อมองเข้าไปข้างในทีนี้วิญญาณตัวนี้แหละมองเข้าไปข้างไนไอ้กูรู้กูรู้นะ่ยอ๋อวิญญาณคือตัวรู้ตัวรู้นั้นก็เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาตัวรู้นั้นก็เกิดดับ ตัวรู้นั้นก็ว่างจากตัวตนเห็นไหมนี่มันมารู้อดีหลังนี่มารู้อดีหลังนี่ตัวมันเองน่มันมองแต่ข้างนอกข้างนอกข้างนอกมันมองแต่ข้างนอกมันไม่มองข้างไหนแค่นั้นการปฏิบัติธรรมเราจะต้องมองข้างหน่อยต้องมองด้านหน่อยต้องมองที่จิตมองที่จิตนั่นแหละมันมีอาการยางไรมันออกมายังไงอะไรยังไงนี่ต้องดูที่จิตดูที่จิตดูที่จิต อะไรมันออกมาอะไรมันออกมานี่หลวงพ่อเขียนหนังสือนะเขียนหนังสือตามันไม่ออกไม่เขียนคือถ้าธรรมะไม่ออกมาไม่เขียนไม่แค้นไปเขียนมาหรอกแต่พอมันออกมาหาปากกาหากระดาษไม่ค่อยทันเลยนี่มันออกมาแล้วมาออกมาแล้วมาโอ้เพื่อๆๆืเขียนนี่งั้นออกมานั่นพอออกมาเนี่ยคือธรรมะมันออกมาธรรมะที่เป็นอนัตตานะที่เป็นอนัตตาที่เป็นสุญญตา มันจะออกมามันออกมาทีนี้ไอ้ที่เขียนตามสัญญานะ่ะมันไม่แน่นอนหรอกเขียนตามสัญญาตามที่จำตามที่อะไรมามันผิดได้แต่ถ้าเขียนตามที่รู้ภายในยเห็นภายในยเห็นด้วยจักจุเห็นด้วยญาณเห็าานด้วยปัญญาเห็นด้วยวิชานี่เรียบร้อยอันเรียบร้อ ย, ย, อยมันจะผิดน้อยมากอ่ามันจะผิดน้อยมากเ็ราะเรารู้ว่าที่มันออกมานี่มันคืออะไร อานั้นต้องมองก็ไปข้างในมองก็ไปที่จิตจิตที่เป็นวิญญาณเรียกว่าวิญญาณจิตวิญญาณจิตมองก็ไปที่วิญญาณตัวนี้เข้าใจไหฉะนั้นมันต้องไม่ใช่กูหมดไม่ใช่กูแล้วก็ต้ว่างจากตัวหมดว่างจากตัวกูหมดรูปก็ว่างจากตัวโกูเพราะมันเป็นอนิจจังเป็นอนัตตา เวทนาสัญญาสังขารวิ ญ, ญญาณก็ว่างจากกลัวกูหมดนี่ทีนี้เสร็จแล้วเราไปฏปฏิบัติต้องจำนะสูตรนี้ต้องจำนะไม่จำไม่ได้ไม่จำไม่เข้าใจหรอกขนาดจำแล้วยังไม่เข้าใจเลยต้องคิดกันอยู่ทีนี้มันจะทำหน้าที่แล้วต่อไปรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณต่อไปก็เป็นนี่เรียกว่านามรูปย่อ ยอแล้วก็เหลือเป็นนามารูปนามารูปเป็นปัจจัยทําให้เกิดอายตนะหรือสรายตนะสราอายตนะก็คืออายตนะหอายตนะหอายตนะหกนี่ก็ต้องจําให้ได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเรียกว่าอายตนะภายในอายตนะภายในหกทีนี้อายตนะภายในมันต้องคู่กับอายตนะภายนอก อายแตนนั้นไปนอกก็มีรูปเสียงกลิ่นรสพุทธะพระธรรมารมย์อย่าให้มันควายกันนะอย่าให้มันคว้ายอย่าให้มันคว้ายอย่างกับของนายแพทย์นั่นแหละนายแพทย์นั่นแหมเขาแพทย์เขาคิดว่าเขาเก่งเขาเขียนยังไงรูปรสกลิ่นเสียงวะใครจะไปตําได้รูปรสกลิ่นเสียงมันต้องรูปเสียงกลิ่นรสพุทธะพระธรรมารมย์ต้องรูปเสียงกลิ่นรสพุทธะพระธรรมารมย์เระวัติ ตาหูจมูกลิ้นกายใจตาคู่กับรูปหูคู่กับเสียงจมูกคู่กับกลิ่นลิ้นคู่กับรสกายคู่กับสิ่งที่มาสัมผัสใจรู้ทรมามงทีนี้ก็ไปเขียนลูกรสกลิ่นเสียงโอ้ตายตายอย่างนี้ตกนรกตายอย่างเนี้ยทำไมไปเพียนของพระพุทธเจ้าได้ เป็นแพทย์ได้อย่างไยของแกนี้ก็ยังไม่จำเดี๋ยวไปทามันเสียหายนี่มันต้องเป็นนั้นไปเลยเรียก ว, ว่าเป็นตารางไปเลยอย่างนี้มันไม่ได้รูปน่ะตาคู่กับรูปหคู่กับเสียงเดี๋ยไปรูปรถรถมันอร่อก็ลิ้นนู่นนะรูปรสกลิน่นเสียงอร่อยมั่วหมดเลยนี่นายแพทย์มั่วนายแพทย์มั่ว เขเขียนหนังสือนั่นแหละเขาถือว่าเขาเก่งก็ เ, เป็นนายแพทย์มันจะเก่งไปถึงไหนเนยเก่งไปถึงไหนอย่างนี้เก่งอย่างนี้เลยตายตกนรกสอนก็ผิดทีนี้คนอื่นก็ทําผิดหมดอย่างนี้มีเลขาของโยมเมตตาหลวงปิมอมารินเนเขาก็พูดนะเขาก็เขียนมาหลวงพ่อรูปรถอินทร์แจมบอกว่าเธอนี่เอาไหมนะไม่เอาแต่ละ หลวงพเลยทำตารางให้เลยเขียนตารางให้เลยเพราะว่ารู้ตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสโป๊ะตรพระธรรมร่มมันไม่เท่านั้นเนี่ยจักกูวิญญาณสโสตวิญญาณวิญญาณนี่คือตัวรู้นะจักกูวิญญาณรู้ทางตาโสตวิญญาณรู้ทางหูกาณนะวิญญาณรู้ทางจมูกจิวหาวิญญาณรู้ทางลิ้นกายะวิญญาณรู้ทางกายมโนวิญญาณรู้ทางใจ แล้วก็ปัสสาะอีกปัสสาวะทางตาปัสสาวะปัสสาแปลว่ากระชบปัสสาะทางตาปัสสาวะทางหูปัสสาวะทางจมูกปัสสาวะทางลิ้นปัสสาะทางกายปัสสาวะทางใจทีนี้เวทนาอีกเวทนาทางตาเวทนาทางหูเวทนาทางจมูกเวทนาทางลิ้นเวทนาทางกายเวทนาทางใจเบิกบานเลยที่นี้ผิดเบิกบานเลยรูปรูปรดกลิ่นเสียง ไม่ได้มันไม่ได้มันผิดพันเปอร์เซนต์เลยไม่ใช่ร้อยเปอร์เซนต์พันเปอร์เซนเลยลจะไปปฏิบัติอย่างไงมันควายกันอยู่อย่างนี้นี่แหละหนายแพทย์ของนายเพทยที่เขียนออกมาหนังสืออะไรไปดูกันเอาเองของของนั้นแหละของโยมอมรินก็หลวงพ่อบอกว่านี่ผิดนะโยมนี่ผิดเขาให้หลวงพ่อแก้แก้เลยก่องเขาก็แก้เขาเองไอ้ช่างหัวมันนี่บ มูลนายแพย์คนนั้นนี่ทีนี้โยมก็ไม่ใช่เขาเรียนนักธรรมเขาเรียนบาลีมันใกล้จะไปปฏิบัติได้แล้อย่างนั้นนี่เราอย่าไปเอาของนายแพทย์นั้นมาเป็นตัวอย่างนะมันจะผิดหมดมันผิดหมดมันปฏิบัติไม่ได้เอาทีนี้เรามาในด้านปฏิบัติในด้านปฏิบัติของท่านอาจารย์พุทธทาสท่านบอกว่าเมื่ออายนะัดะนี่วิญญาเออจากนามรูป นามรูปก็เป็นอายตนะนะอายตนะหก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่อายตะยานะหทีนี้ตาคู่กับอะไรคู่กับรูปตารูปนี่มันมันจะไปตามลำดับแล้วตารูปจากอวิญญาณความรู้สึกทางตานี่มันจะเกิดอย่างนี้ในภาคปฏิบัติตา ตาโกเห็นรูปเห็นรูปผู้หญิงผู้ชายสวยไม่สวยหน้าเกลียดขี้เลร่อะไรนะทางนั้นแหละตารูปจากกูวิญญาณคือความรู้สึกความรู้สึกทางตาตารูปจากกูวิญญาณสามอย่างทํางานร่วมกันเป็นทีมเวิร์กทาให้เกิดผัดซ่าการกระทบแล้วทาให้เกิดผัดซ่าเกิดมาตารูปจากกูวิญญาณเกิดผัดซ่าเกิดผัดซ่า พอเกิดปัจจัคือการกระทบแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือเวทนาเวทนาตัวใดตัวหนึ่งนะไม่ใช่เกิดทีเดียวพร้อมกันสามตัวนะเวทนามันเกิดจุกขเวทนามันเกิดทุกขเวทนามันเกิดอะทุกกะมาจุขเวทนานี่ยสตัวแต่ว่ามันไม่ได้เกิดสามตัวถ้าเราไปชอบก็เรียกว่าเกิดจุกกเวทนาเห็นแล้วชอบใจจริงๆคนนี้ทุกกเวทนาพอเห็นแล้วเกลียด เกลียดไม่เคยรู้จักรักจี่กันเลยเกลียดขี้หน้าอ้าวนั่นเกิดทุกเวทนาแล้วเกิดฟรีครีอย่างนั้นเกิดรีฟรีนี่ไม่รู้เรื่องเลยนี่คือไม่รู้จักเวทนาหนึ่งเกิดทุกเวทนาสองทุกเวทนาสอ้าวเห็นว่านี่เขาเป็นคนเขมีนนขาการมีงานทําดีอะไรดีนี่เห็นว่าเป็นคนเห็นว่าเป็นสัตว์ อาทุกขมาจุกเวทนาโง่เกิดแล้วโง่เกิดแล้วนี่เห็นว่าสักแต่ว่าทาตุว่างจากตัวตนผู้หญิงก็สักแต่ว่าธาตผู้ชายก็สักแต่ว่าธาตมันต่างกันที่เครื่องหมายผู้หญิงกับผู้ชายน่ยมันต่างกันที่เครื่องหมายนี่ก็คือเครื่องหมายแห่งเพศนั่นแหละมันต่างกันที่ตรงนัน so so er, ้นแต่จิตใจมันไม่ได้ต่างกันไม่ใช่ว่าเป็นผู้หญิงแล้วก็ปฏิบัติธรรมะไม่ได้เป็นพระอรรณ์ไม่ได้ เป็นได้ทางนั้นเลยเป็นได้ทางนั้นเลยนอกจากสัตว์ดิลฉานเท่านั้นเป็นได้ทางนั้นนี่เป็นได้หมดทังนั้นเราเรียกว่าตารูปจากกุ ญ, ญญาณภัจจาะพอเกิดภัจจาะขึ้นมากระทบเนี่ยกระทบแล้วพอกระทบแล้วระวังตรงนี้ระวังมันจะเกิดเวทนาเวทนาหน่อยเวทนาอะไรจุกเวทนา หรือว่าทุกขเวทนาหรือว่าอาทุกขมาทุกขเวทนาที่เป็นนวิชฌาดูมันมันเกิดเวทนาอะไรแต่ว่าเวทนาสามอย่างนี้ทั้งสามอย่างนี้มันคนตัวเดียวกันคือตัวทุกตัวทุกทางนั้นเลยอ น, นั้นเวทนาทั้งสามมันจะเกิดตัวใดตัวหนึ่งเข้าไปยึดมัน่นถือมั่นไม่ได้ปล่อยเพราะว่าเราศึกษา เราปฏิบัติมาเห็นอนิจจังเห็นอนัตตาเห็นสุญญตาว่างจากตัวตนเมื่อเราเห็นรูปเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเป็นสุญญตาว่างจากตัวตนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเป็นสุญญตาว่างจากตัวตนจากนามรูปเป็นสรายตนะนี่อายตนะหนึ่งทำงานนะอายตนะหนึ่งทำงานก็คือ ตาตาทีนี้เมื่อตารูปจะกูวิญญาณปัจสัทําให้เกิดเวทนามีสติดึงปัญญามาที่ตรงนั้นดึงปัญญามาแล้วก็โอ้เวทนาเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเป็นสุญญตาว่างจากตัวตนนี่ดับแล้วทีนี้เวทนานั้นดับเพราะเวทนานั้นดับตัณหาเกิดไม่ได้ ตัณหาเกิดไม่ได้ทีนี้นี่แหละที่ตรงนี้แหละเอาเกิดทุกกเวทนาขึ้นมามันอยากได้มันอยากมีมันอยากเป็นนี่ตัณหาเกิดแล้วมันอยากแล้วอยากภายในนู้อยากภายในทีนี้ทางกายทางวจามันภายนอกมันข้างนอกนี่มันอยากภายในแล้วทีนี้พอเกิดตัณหาขึ้นมามันอยากพอเกิดตัณหาแล้วเกิดอุปาทานขึ้นมาต่อ ยึดมั่นถือมั่นทีนี้มันยึดม e ั่นถือมั mm ่นพอเกิดตัญหามีความหยากเกิดอุปาทานต่อยึดมั่นถือมั่นเกิดพบกมันข้าไปหมนหมนมนหมนมนหมนอยู่ในใจหมนอยู่นั้นหมนอยู่นั้นกามาพบรูปมาพบอารูปมาพบมันจะเกิดอะไรขึ้นมาก็ได้แต่ละอย่างแต่ละอย่างพอพบแล้วกลายขึ้นมาก็เกิดเป็นชาติเป็นชาติก็คือตัวกูขึ้นมาแล้วทีนี้ตัวกูขึ้นมาแล้วสมมติว่าน่ะ รอมอดว่าเราคิดอยู่ในใจว่าต้องการที่จะมีรถสักคันหนึ่งรถใหม่ๆแต่รถเก๋งอย่างเนี้ต้องการรถเก๋งสักคันนึงนะคัทีนี้ก็เราก็เดินไปดูเดินไปดูที่เขาขายที่ไอ้ร้านที่เขาขายรถยนต์นั่นแหะไปถึงเห็ น, นตารูปจกักรวิญญาณปัจจายังไม่มีปัญญาเลยปัจจาล้ว การสติกาดปัญญาเกิดประเสรเวทนาพอใจขึ้นมาทีนี้เกิดพอใจขึ้นมาพอเห็นรถคันนั้นอยากได้อยากได้ขึ้นมาทีนี้อยากได้ขึ้นมาทํำยังไงเนี่ยยึดมั่นถือมั่นแล้ว ừ. อุปาทานเกิดตัณหาเกิดตัณหาแล้วกเกิดอุปาทานยึดมั่นถือมัน่นความยึดมั่นถือมัน่นนั้นไปหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมนุหมนอยู่ในใจนั่นแหละไม่รู้กี่รอบหมุนติ้วเลย หมนุนนี่เรียกว่าพบเกิดพบขก้นมาเกิดพบคือความอยากนั้ น, นเนี่ยมันกาไปหมนุนหมนุหมนมุนก็คลอดออกมาเป็นทุกข์ทีนี้พอครอดออกมาชาเป็นชาเป็นชาติก็เป็นจารามรณะโสกาปริเทวะทุกัโตมนะเจ้าปัยาก็เป็นทุกข์ขึ้นมาอกีกเอาหาวิธีอีกอทำยังไงขายดีกว่าขายรถคันเก่าเอาไปดาวรถคันใหม่นี่หรือว่าเอา การเกาก็ยังที่จะอยากมีอยู่การไหวเปลี่ยวเปลี่ยวไปเลยทํำยังไงดีเอาเอาที่ดินไปจํานองดีกว่าจํานองที่ดินแล้วก็ออเอานี่นั่นแหละคือทุกแล้วทุกมันเกิดแล้วทุกมันเกิดเอาไม่ทันเกิดตัณหาแล้วก็เอาไม่ทันหรือว่ามันจะเอาทันก็ได้ที่ตัณหามันรู้ทันที่เวทนาไม่ได้ก็ ไปที่ตัณหาก็ยังไม่สายเกินไปฉะนั้นต้องดึงสติให้สตินี่ดึงปัญญามาสติก็คือมีสติเห็นกายในกายในใ น, ในอริยมรรคมนองค์8ดนั่นแหละเร า, าปฏิบัติให้สตินี่ไว้มันคร่ครองแกล้วคร่องแกล้งคร่องแกร้งมีสติเห็นกายในกายมีสติเห็นเวทนาในเวทนานี่มันเห็นเวทนาเลยใช่ไหมมีสติเห็นเวทนาในเวทนาเวทนามที่มันเกิดที่จิตนั่นแหละ มีสติเห็นเวทนาในเวทนามีสติเห็นจิตในจิตนั่นมันต้องมองกาไปที่จิตมีสติเห็นธรรมในธรรมมีสติเห็นธรรมในธรรมมันก็เห็นเห็นเห็นมีสติดึงปัญญามาปัญญาที่มันเป็นจักกลุ่อุตปาธิญาณอุตปาธิที่เป็นนิโรดนั่นแหละนั่นคือตัวปัญญาสติดึงปัญญามาพอดึงปัญญามาเสร็จแล้วก็มาดับดับตัวเวทนา ถ้าดับดับที่ตัวเวทนาไม่ทันก็ดับที่ตัณหาก็ได้ยังไม่สายนี่เพราะความที่ตรงนี้นะควรที่จะจําให้ได้เพราะความจางกลายเพราะความจางคลายดับไปหมดสิ้นแห่งเวทนาเพราะความจางคลายดับไปหมดสิ้นแห่งเวทนาตัณหาจึงดับเห็นไหมนี่มันดับ เพราะความจางคลายดับไปหมดสิ้นแห่งเวทนาตัณหาจึงดับเพราะตัณหาดับอุปาทานดับเพราะอุปาทานดับพบดับเพราะพบดับชาติดับเพราะชาติชาติคือความรู้สึกเพราะชาติดับชรามรณะโสกาปริเทวะทุกโอมนัสชาวปายาดดับหมดดับหมดโดยไม่มีส่วนเหลือดับหมดก็ดับหมดนี่คือทุกข์ ทุกดับหมดเนี่ยคือทุกดับหมดเพราะฉะนั้นสูตรอ่ะท่านจะต้องจำอวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปเวตนาปัจจาวิทนาตันหนาอุปาทานภพชาติชารามรณะสโสกาปริเทวะทุกขโทมณฑ า, าปายาตแล้วก็ดูคำแปลไปนี่ต้องให้จำต้องให้จำสูตรนี้ต้องจำไม่จำไม่ได้ไม่จาไม่ได้อีนี้้าพระท่านพูดบางทีก็ยกไปตัวเดียว ยกไปตัวเดียวเช่นอริยมรรคไม่องแป8ดอย่างนี้ยกไปข้อเดียวโอ้ไม่ได้มันเกี่ยวโยงกันหมดแต่ละข้อแต่ละข้อแต่ละข้อแต่ละข้อมันจะเกี่ยวโยงกันหมดเนี่ยมันมาทําหน้าที่มันทําหน้าที่กันหมดเราว่าทั้ง8ดข้อนั่นแหละเจดข้อมารวมกลุ่มกันที่ข้างหน้ารวมกลุ่มกันที่สัมมาทิฏฐิพอมารวมกลุ่มกันแล้วเรียกว่าจี้ว่า มรคสมังคีนี่มรคสมังคีเกิดมรคสมังคีขึ้นมาแล้วมันก็เกิดเห็นอริยสัจแล้วก็เกิดปัญญาคือจักขุงจัปาริเกิดตาภายในเกิดยานเกิดปัญญาเกิดวิชาเกิดอาโลโกพลังเกิดพลังจิตพลังปัญญาขึ้นมาเป็นนิโรธเป็นนิโรธนั้นก็เป็นดับเหตุได้เกิดทุกอันนี้เรายังดับอาวิชชาไม่เป็น ว่ายดพอดีตรงนั้นในชีวิตประจําวันก่อนดับที่ตาดับที่ตานตดับที่ตาก็คือถ้าหากว่าก็ปฏิบัติถึงขั้นแล้วก็ดับที่ตาไดต้ตาเกิดความรู้สึกขึ้นมา ว, ว่าตากูโอ้มันไม่ใช่โูกูมันไม่ใช่ตาเกิดตาดับรูปเกิดรูปดับจักกูวิญญาณเกิดจักกูวิญญาณดับ ปัจจาเกิดปัจจารดับเวทนาเกิดเวทนาดับก็เลยดับดับดับดับดัไปลวดเดียวจบจบรวดเดียวอันี้เอาเรื่องรถอีกนั่นแหละที่มันดับที่มันดับมันก็เห็นอ่าเนี่ไปเดือดร้อนมันทำไมมันก็มีอยู่แล้วรอมันก็ยังหมุนอยู่อะไรมันก็ยังใช้ได้อยู่มันจะมีหน้ามีตาอะไรไปขี่รถเก่งไกลไก็มีกั น, en, นทั้งนั้นเลยไม่ว่ามันมีอะไร ไอเราไปซื้อไอคันเก่านี่มันก็เป็นเศษเหล็กแล้วคันใหม่เป็นเศษเหล็กไหมไอคันที่เราจะซื้อเหมือนก็เป็นเศษเหล็กเหมือนกันไอเรื่องอะไรเอาดินไปแลกกับเศษเหล็กดินมันไม่ขึ้นสนิมเศษเหล็กมันขึ้นสนิมโง่แล้วกูโง่แล้วนี่เห็น <checking S 1> ไหมนั่นไอฉลาดมันจะเกิดเลยทีนี้ไอฉลาดนนัแหละมันจะเกิดนี้ทางตา น, ะนี่ทางหูก็เหมือนกันหูก็เหมือนกัน อูเกิดอูดับรู้เกิดอูดับเสียงเกิดเสียงดับโสตาวิญญาณเกิดโสตวิญญาณดับปัจจาเกิดปัจจาดับเวทนาเกิดเวทนาดับเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่มีส่วนเหลือแห่งเวทนาตัณหาจึงดับเมื่อตัณหาดับอุปทานดับอุปทานดับภพดับพระภพดับชาติดับชรามรณะโสกาบริเทวะทุกขโทมณ์เจ้าอุปดับหมด ไม่มีอะไรเหลือมันเย็นไหมถ้าดับหมดมันก็เย็นแต่ถ้าเอามาคิดอีกมันก็กลุ่นๆๆมันเป็นพบอถ้าเอามาคิดอีกมันก็กลุนๆๆคิดด้วยอำนาจแดงตัณหาด้วยอำนาจแดงอุปาทานคือยึดมั่นถือมั่นพอยึดมั่นถือมั่นเนก็กลายเป็นพบจากพบเนีก็เป็นชาติครอดออกมาแล้วครอดออกมาแล้วพบน่ยมันตั้งคันตั้งคันตรงนั้นมันตั้งคัน พอตั้งคันแล้วคันแก่ทีนี้มันเต็มที่แล้วมันอั้นไม่ชู่แล้วคลอดออกมาเป็นชาติทีนี้ชาติปีตุกขาทีนี้พอชาติปีุกขานี่แหละต่อไปแก่ก็เป็นกูเจ็บก็เป็นกูตายก็เป็นกูเป็นกูหมดนั่นมันเป็นกูหมดเลยนี่ เ, เรื่องทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราไปเรียบเรียงเอาเองตารูปจากกูวิญญาณปัจจเวทนา โอเสียงโสตวิญญาณปัจจาวิถณะจมูกกลิ่นจมูกกลิ่นคานาวิญญาณปัจจา ว, ญญ า, าวทนาลิ้นรสชิวหาวิญญาณปัจจาวิถณะกายทำกายแล้วก็โคดจับพระกายวิญญาณปัจจาวทนาะใจนี่นีไอตัวสําคัญที่เราไม่รู้จัก ใจไอ้สิ่งที่ใจคิดเขเรียกว่าธรรมารมณ์เรียกว่าธรรมารมณ์คิดดีก็ได้คิดไม่ดีก็ได้ได้ทั้งนั้นเลยคือที่คิดอ่ะอันนี้ใจธรรมารมณ์มโนวิญญาณความรู้ทางใจสิ่งที่เป็นอารมณ์ที่เราคิดเรียกว่าธรรมารมณ์ใจธรรมารมณ์มโนวิญญาณปัจจักรเรียกวทนา ถ้าเราดับได้ที่ตรงนั้นสบายเทนี้พระอารหันต์ท่านอยู่ยังไงท่านใจท่านก็มีจิตท่านก็มีอารมณ์ท่านก็มีแต่ท่านไม่เข้าไปยึดมั่นถือมัน่นเพท่านมีปัญญาเพราะฉะนั้นก็ท่ากว่าว่าพระอารหันต์ไม่มีอารมณ์ไม่มีอารมณ์เมื่อเข้าไม่เข้าไปยึดมั่นถือมันอะไรก็ไม่เข้าไปยึดมั่นถือมันเพราะท่านเห็นว่า ตารูปเสียงเป็นลดโพัตตะมารมเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเป็นสุญญตาว่างจากตัวตนทางนั้นเลยเรื่องอะไรอยู่กับความสงบดีกว่านั่งสมาธิก็นั่งมันงสงบสงบสง บ, สงบอย่าให้ตะมาร ม, มันเข้ามาอย่าให้มันเข้ามาบอกมันว่ายังไม่ใช่เวลาเวลานี้ยังไม่ใช่เวลานี่บอกมันอย่างนั้นต้องบอกมันอย่างนั้น นี้คือคลึงทอเรียกว่าคลึงทอนเพราะฉะนั้นท่านไปลําดับกันเอาเองไปลาดับที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสพจน์จัภาธรรมารมณ์จักปุวิญญาณโสตวิญญาณกานะวิญญาณจิวหาวิญญาณกายะวิญญาณมโนวิญญาณทีนี้ก็ทําหน้าที่เพรตอนที่ทําหน้าที่ใจธรรมารมณ์มโนวิญญาณก็เกิดปัจจา พอปัจจาตรงนั้นร ะ, ร ะ, use, ระ rant, it, วังแล้วระวังแลยปัจจาก็เกิดเวทนาเราเกิดเวทนาเกิดเป็นสุขก็ไม่เอาเป็นทุกข์ก็ไม่เอาไม่ใจทุกข์ไม่ใจสุข ก, ก็ไม่เอามันว่างทางนั้นนี่มันว่างทางนั้นไอ้ใจเองก็ว่างเวทนา น, นั้นก็ว่างมันว่างหมดมันว่างหมดก็เลยมันดับที่ที่ตรงนั้นตัณหาก็เลยเกิดไม่ได้นี่ตัณหาเกิดไม่ได้นี่ต้องเอาอย่างนี้ อย่างนี้เรียกว่าปฏิจารสมุกประบาทครึ่งทอดเอาครึ่งทอดพอปฏิจารสมุปบาทครึ่งทอดเรียบร้อยแล้วต่อไปก็ขยเยิบขึ้นข้างบนนี่ขึ้นข้างบนมันจะพอขึ้นข้างบนก็เป็นยังไงก็ขึ้นที่วิญญาณนั่นแหละวิญญาณก็เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาวิญญาณคือตัวรู้ก็เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเป็นสุญญตาว่างจากตัวตน อันี้เรว่าตายแล้วเกิดอย่างหนึ่งตายแล้วรู้นอย่างหนึ่งตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดในเมื่อดินน้ําลมคอยอากาศธาตุมันก็กลายไปเป็นตามเดิมหมดแต่วิญญาณธาตุมันไม่ดับดิมันไม่ดับเพราะฉะนั้นเราต้องดับดับวิญญาณธาตุดับตรงไหนดับไอตัวนี้แไอตัววิญญาณไอตัวรู้นี่เลยดับไปตัววิญญาณนี้ดับที่ตัวรู้ ว่าไอ้ที่รู้นั้นก็ไม่ใช่กูรู้สติปัญญามันรู้เพราะเราปฏิบัติวิปัสนาเราปฏิบัติวิปัสนาเราก็พิจารณาพาิจารณาพจนเกิดสติปัญญาขึ้นมาสติปัญญานั้นไอ้ตัวรู้เพราะฉะนั้นไอ้ตัวรู้น่ะกว้างทิ้งไปเสียตัวรู้ที่เป็นกูน่ะกว้างทิ้งไปเสียให้เหลือแต่ตัวรู้ด้วยสติปัญญาไม่ใช่กูรู้ สติปัญญารู้นี้ที่สังขารก็เหมือนกันที่สังขารก็ไม่ใช่กูคิดไม่ใช่กูทําไม่ใช่กูพูดสังขารก็คือสติปัญญามันคิดสติปัญญามันทําสติปัญญามันพูดนี่ไม่ใช่กูอันี้อวิชชาอวิชชานั้นมันคือต้นเหตุต้นเหตุแทงตัวกูฉะนั้นดับมันยังไงอวิชชาดับอวิชชาดับอวิชชาก็ต้องดับเหตุมัน ดาเหตุของอวิชชาอวิจชาคือตัวทุกเหตุได้เกิดทุกก็คืออะไรก็คือราคะตัวสาโมหะหรือว่าเหตุได้เกิดทุกก็คือสามูไทยสามูไทยเราจำกันดังนั้นไอสามูไทยแตไม่รู้สามูไทยอะไรไม่รู้สามูไทยอะไรีสามูไทยก็คือราคะตัวสาโมหะเรนี้ตัวอวิชชาคือจิตโม่เจิตโม่คือตัวทุก จิตโง่คือตัวทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์คือสมุทยัยราคะโทสะโมหะคือสมุทยัยทีนี้การดับอวิชชาต้องดับที่สมุทยัยถ้าสมุทัยไม่ดับอวิชชาก็ดับไม่ได้ดังนั้นพระอจัจจฉิท่านถึงบอกว่าทำเหล่าโดมีเหตุเป็นแดนเกิดพระตถ า, าคตตรัสเหตุแห่งธรรมนั้นและความดับแห่งธรรมนั้น เหตุ hey, hey, แต่งความเกิดก็คือเหตุแต่งความเกิดทุกข์เกิดทุกข์ก็คือตัวอวิชจานั่นแหละทีนี้เห hey, ตุที้เกิดทุกข์ก็คือสมุทัยตัวราคะโทสะโมหานั่นแหละนี่เราต้องดับราคะโทวสะโมห์ดับราาราคะโทสะโมห์ดับก็อวิชจาก็อยู่ไม่ได้มันจะดับยังไงไม่มีในโรดดับยังไงมีแต่ไฟทั้งนั้นไอ้สามกองนั้นดับยังไงหม่นน า, มนนงงมาน้ํา กดบออคอนดี้กดบอกดบอเส็จแล้วกดอะไมันลึกอะไมันถึงน้ำพอถึงน้ำเส็จแล้วกดเอาไรใจตั้งใจเชือกใจอะไรตามวิธีของเรานั่นแหละตักน้ำตักน้ำนั้นเอามาดับนิโรดคือตัวดับทีนี้ไอ้ตัวสมูทัยไฟอันนั้นตัวไฟตัววิชาตัวกินไฟก็ไป จากนั้นเราจะต้องดับคยุยดับไม่ได้เพราะไม่ปฏิบัติตามอริยมรูก็เกิดไม่ได้ต้องปฏิบัติตามอริยมรักก่อนอย่านั่งบนอยู่เลยแหมเจ้ากรรมนายเวนทำไมจึงทำอย่างนี้กับฉันตัวเท่าไหน่ให้เจ้ากรรมนายเวนมีแต่เจ้ากรรมนายเวนตั้งนั้นเลยไม่รู้ไอจิตเองนั่นแหละเจ้ากรรมนายเวนไอจิตโง่นั่นแหละนั่นคือตัวเจ้ากรรมนายเวน จิตโง่นั right? em, <ian> ่นแหละตัวเจ้ากรรมนายเวรตัวอวิชชานั่นแหละตัวเจ้ากรรมนายเวรเออทาไมวันนี้ไม่ถ้าไหวจังกทานถ้าไหวให้เจ้ากรรมนายเวรรู้ไม่เจ้ากรรมนายเวรอยู่ที่ไหนไม่รู้ตัวดําๆเลยโอ้ไอตัวดำดำและตัวอวิชชาเจ้ากรรมนายเวรตัวนั้นแหละไอตัวอวิชชานี่ไปเอาข้างนอกทั้งนั้นเลยขาดปัญญาเพราเลยไม่รู้จักเจ้ากรรมนายเวรอยู่ในตัวเอง เจ้ากรรมนายเวรก็อยู่ในตัวเองนั่นแหละไม่รู้จักดับเจ้ากรรมนายเวรก็เลยคิดก็กูคิดกูพูดกูทํามันด้วยอํานาจใครด้วยเจ้ากรรมนายเวรอะไรที่มันคิดไม่ดีมันพูดไม่ดีมันทําไม่ดีเราพอไม่ดีเกิดอะไรไม่ดีขึ้นมาแล้วอวันนี้เอาสังฆทานมาถวายหลวงพ่อเราเป็นอะไรเมื่อคืนฝันไม่ดีอ้าวนี่ วันไม่ดีก็ทำดีเลยที่รับศีลความทำปฏิบัติทำไหว้พระรวจดมอนเลยที่ท้าเม่อวันนี้ตักบาทเยอะแยะไม่เห็นเคยตักเดินผ่านๆมันไม่รู้สามสิบปีแล้วเมื่อวันนี้ตักบาทไม่เมื่อวานในโชคไม่ดีพอเอารถออกจากบ้านโดยรถเฉียดเอาว้าวใครจะกลัในเวนว่าตัวกูน่แหละมันโง่แล้วแต่ทำไมมันไม่ดูอะ แล้วออกมาแล้วดูว่ามีรถมาบ้างไหมอะไรบ้างไหมไอตัวกูมันโง่แหละตัวกูนั้นแหละเจ้ากรรมนายเวร น, นี่แหละแปลกแปลกแปล ก, ปลกอ๋อเสร็แล้วก็ใส่โซ่ก็ร้อยหนึ่งอีกนี่ไอเจ้ากรรมนายเวรก็เลยขี้เกียจพูดเอาเอามาจันเนี่จบจบเรื่องพูดก็ฟังไม่ถูกหรกพวกนี้นี่พวกตือเจ้ากรรมนายเวรทำกันไปตื้อเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยเอากันอย่างนั้นนี่เรื่องมันเป็นอย่างนี้ เพราะฉะนั้นเราปฏิบัติครึ่งท่อนไปก่อนปฏิบัติครึ่งท่อนพอครึ่งท่อนเสร็จแล้วก็เยือบขึ้นข้างบนพราข้างบนนี่มันจะยากมันจะยากนี่ขนาดหลวงพ่อคนโง่โง่แล้วนี่ยังคิดกันหลายวันว่าเหตุของอาวิชานี่ยมาอะไรคือธรมุทัยสรมุทัยมันคืออะไรคือไอ้ที่เขาในตำราโดยส่วนมากส่วนน้อยก็มีบ้างแต่ว่าก็บอกว่า ก็อวิชชาดับสังขารดับสังขารดับปัญญาแล้วมันดับยังไงอวิชชาดับยังไงนี่มันดับยังไงทีนี้เขา ก, ก, ก็มีภา ษ, ษาบาลีด้วยภา ษ, ษาบาลีก็ว่าอาวิชชายะตเววอาศษษาวิราคานิโรธาวิราคะนิโรธานี่ก็คือวิราคะก็ต้องดับราคะดับราคะก็ต้องเอาไอ้สิ่งไม่สวยไม่งามที่เป็น อาตุภะกรรมฐ า, านั่นแหละไปทาบกับมันแล้วก็ดูมันว่าไอ้ที่ต่อไปมันเป็นยังไงคนนี้มันเป็นยังไงเป็นยังไงยังไงจนมันตายนูเป็นยังไงนี่อาวิชชายะตะเววอาเสตสาวิรากนิโรธะเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่มีส่วนเหลือแห่งราคะอวิชชาจึงดับทีนี้ยังเหลือโทษาอีกยังเหลือโมหะอีกก็ไม่ได้บอกเอาไว้ หลวงพ่อก็เลยหัวจนขวาเลยทีนี้หัวจนขวาเลยต้องคิดคิดคิดคิดคิดกันคิดคิดจะแก้อย่างไรแก้อย่างไรแก้อย่างไงนี่เลยมาพูดให้ญาติโยมฟังว่านี่ต้องแก้อย่างนี้ต้องปฏิบัติตามอริยมรักมีองค์แปดแล้วเราจึงจะได้นิโรธพอได้นิโรธก็เอามาดับเจนี้พอดับเหตุได้เกิดทุกข์อาวิชตามันก็ตั้งอยู่ไม่ได้ร้อนตัวร้อนใจมันไม่มีอาหารกินมันก็ตาย ทีนี้นิโรธก็เลยเอาวิจาก็ไปแทนคือเอาสติปัญญาก็ไปแทนว่าสติปัญญาก็ไปแทนลูกน้องไอ้ที่มีตัวกูตัวกูเอากูออกหมดทีนี้เอากูออกหมดเหลือแต่สติปัญญาสติปัญญาสติปัญญาหรือวิจาฉะนั้นตบท้ายด้วยคําว่าอวิชายตเววะเสจาวิราคนิโรธา เพราะความดับไปโดยไม่มีส่วนเหลือแห่งราคะโตสะโมหะอวิชชาจึงดับเพราะอวิชชาดับสังขารจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเพราะนามรูปดับสรายตนะจึงดับปัสสาะดับเวทนาดับตหาดับอุปาทานดับพบดับชาติดับทุกทั้งหมดดับไม่เหลือ นี่คือสายดับเรียกว่าสายดับอันี่สายเกิดทุกเนะ่ท่านไปดูเรามีกันทุกคนแล้วก็ติด ก, กันทุกวันทุกกันทุกวันนี่เพราะเรามีสายเกิดเราไม่สร้างสายดับคือปฏิบัติตามองค์แง่อริยมรคแล้วก็ปัญญาสติปัญญาไม่เกิดฉะนั้นต้องจำให้ได้ทั้งสองสายเนี่ยจำให้ได้ มันไม่เกินความสามารถของเราทุกคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์มีสมองโตมีสติปัญญากันทางนั้นในสิ่งขนาดนี้ก็ไม่ที่จะจําไม่ได้มันต้องจำไ ด, ำได้ทางนั้นแต่จําไม่ได้เขียนก้าวเขียนก้วพอไหวพระตรวมนเสร็จแล้วก็อ่านตรวดทว้ทุกวันทุกวันทุกวันข้าวไปเองมันข้าวไปเองแต่ไม่ใช่ว่าเอาหนังสือไปแล้วไปหนุนหอนหนุนนอนไม่ข้าวไม่ข้าวอย่างนั้นนี่ อั น, นั้นเราเข้าใจว่าสมถะสมาธิในอย่างหนึ่งวิปัสนาอย่างหนึ่งเราจะพ้นทุกข์ด้วยสมาธิมันไม่ได้เราจะพ้นทุกข์ ไ, ไ, ดกได้ด้วยวิปัสนามันถอนรากถอนโคนที่วิปัสนามันจึงจะได้เอาเวลาก็มากแล้วขอให้ทุกๆ ท, ท่านไปทบทวนต่อไปมีแผ่นซีดีมีอะไรขึ้นมาก็ เ, าเอาไปควังควัง ควางจนซีดพังเลยน่ก็ค่อยมาเอาใหม่ค่อยมาเอาใหม่นี่หลวงพ่อจะทำไว้ให้ใหม่เลยบอกเถอะถ้าหมดแล้วมันพังแล้วหลวงพ่อมาเอาใหม่เลยอขอให้ทุกทุกท่านทำความเข้าใจกันเสียไปทำความเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติไม่เว้นการเวลาไหนการเวลามันสิ่งสมมติดังนั้นเราจะเดินก็ภาวนาได้จะนั่งก็ภาวนาได้จะนอนก็ภาวนาได้ จะกินจะเคี้ยวจะอาบ จ, จะถ่ายเวทน า, าภาวนาได้หมดเลยขอให้ทุกคนหนักแน่นในการภาวนาทุกๆเวลาคิดให้ได้แล้วก็ภาวนาขอให้ความสุขความเจริญในธรรมจงเกิดมีแต่ญาติโยมผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้เห็นสัจจะคือความจริงกันจงทุกๆท่ทานเธอ